มาขึ้นทุกปีล้วคุณแจงค่ะกลัวว่าสาจะพังไม่ครับวันนี้เราห้าไข่ก่ตัวห้ไข่ไม่ต้อีกแล้วแล้วเราเข้ามาใกล้ลผู้ชายเรอาใกล้นี่ฮัลโหลยิน ที่เขา อันนี้อ่นนงเล่มสี่มาอาจารย์้ปกสีอะไร้างสีฟ้าซึ่งอาจารครับพอคนเป็นหกเล่มไปแล้วอยากจะขออนุญาตเปลี่ยนรูปหน้าปกด้มครับทยังไงก็ได้ไม่เป็นไรไเแ่มแล้วแต่ท่านจารยแล้วแต่คนทาดีกว่าแล้วก็เมตดากแปน มาให้ท่านอาจารย์ที่เป็นพี่ของหลวงตาเขาเสร็จแล้วก็เลยหยักถวายกั น, นมากันหมดแล้วใช่ไหมหมีคนอาา่านหนังสือท่านอาจารย์แล้วถามหาว่าท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนกันจะตามกันมา มันังสือเผยแพ้ออกไปแล้วคนอ่านทุกคนก็ถามหาตื่นเตมากเลยชอบเราถึงทำหน้ามันก็คืนคืน่ะมันทำไม่ได้บอกตืินใจอการที่พวกเราเัทธาในพระพุทธศาสนา ดังนถือว่าเป็นบุญเป็นกสศลเป็นโอกาสที่ดีเราเราจะได้รู้จักเรื่องราวที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรื่องของจิตเรื่องของมรรคผลยุติทานเป็นสิ่งที่เราจะ ไ, ได้เรียนรู้จาก แรงอื่นจากทีน่นอกจากพระพุทธศาสนาครับแล้วเมื่อเรารู้จักแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะได้สัมผัสที่ได้มาครอบครองในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรในสามโลกขั้วที่จะวิเศษที่จะเลเท่ากับสิ่งที่ศาสนาพุทธ สามารถมอกให้กับพวกเราได้แต่ถ้าพวกเราไม่มีศรัทธาก็เป็นการติดขันทางของพวกเราเพราะศรัทธานี้เปรียบก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดตู้เซฟนิรภัยที่เก็บสมบัติอันนล้ำค่าไว้ถ้าไม่มีกุญแจแบบนี้แล้วก็จะไม่มีทางที่จะเข้าไปเป็นเจ้าของสมบัติอันประเสริฐที่เขาเก็บไว้ในตู้นิรภัยไม่ได้เลย ดังนั้นถ้าใครมีศรัทธาแล้วก็ควรที่จะรักษาวไว้ให้ดีควรที่จะส ร, สร้างสร้างศรัทธาให้แก่ต้าลงไปเรื่อยๆส่วนใครที่ยังไม่มีศรัทธาก็ควรที่จะสร้าสร้างศรัทธานี้ให้เกิดขึ้นการจะมีศรัทธานั้นก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีศรัทธามาก่อนนี้ ส่วนหนึ่งก็อาศัยกัลยานมิตรคือค น, คนที่เขามีศรัทธารักเพื่อนที่ดีที่เขาคอยเชวนเราเข้าหาศาสนาเข้าหาพระสงฆ์องเจ้าเข้าไปทำเมื่อเราเข้าวัดเาวายเหล่ า, านี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังศรัทธาให้กับพวกเรา ส่วนคนที่มีศรัทธาแล้วก็ควรที่จะขวนขวายเข้าอยู่เรื่อยๆบ่อยๆอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเรามีศรัทธาแล้วศรัทธานี้จะไม่เสื่อมพายไปได้เพราะศรัทธามันมีสองอย่างศรัทธาที่ยังไม่มั่คนคงอย่างเพราะว่าเป็นศรัทธาที่ยังไม่ได้สัมผัส ก, กับธรรมะในจิตใจยอย่างแท้จริง เป็นศรัทธาในลักษณะ ข, ของสัญญาเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆเราก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแต่เรายังไม่ได้เห็นเรื่องราวต่างๆนี้ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเราแล้วถ้าเราไปได้ยินเรื่องราวที่มาเป็นปฏิปักษ์กับเรื่องราวที่เราเคยได้ยินมาก็อาจจะล้มศรัทธาที่เรามีอยู่ไปได้แต่ถ้าเรา มีศรัทธาที่ปรากฏขึ้นเพราะมีมีธรรมะปรากฏขึ้นมาในใจของเราแล้วศรัทธาแบบนั้นจะเป็นศรัทธาที่ไม่เกิดไม่เมสื่อมคลายแม้จะตายจากชาตินี้ไปเกิดมากี่ก็กี่ชาติก็จะไม่เสื่อมศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ดังนั้นถ้าเรา ยังไม่มีตัธาที่มั่นคงเหนีวแน่นที่ไม่มีวันเสื่อมคลายได้เราก็ไม่ควรตำมาิเราควรที่จะเข้าหาศาสนาและพยายามปฏิบัติสิ่งที่ศาสนาสอนเราให้เกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาในจิตในใจของเราได้เพราะศาสนาที่แท้จริงนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเรา การได้ยินได้ฟังนั้นเป็นเพียงการเพาะปลูกเมล็ดแห่งภาษาสนหานี้ในจิตในใจแต่ถ้าเราไม่ทำน้ำบำรุงให้น้ำให้ปุ๋ยกับมเมล็ดที่เราปลูก อ, อยู่ไว้ในจิตในใจด้วยการด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติผลคือความหยางลึกของรากแห่งศรัทธาในพระธา การกาศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วถึงถ้าเราตายไปเรื่อเราเกิดไปอยู่ในสังคมที่ไม่มีศาสนาอยู่ความศรัทธาในศาสนาที่ที่เราเคยมีอยู่นั้นก็จุดจางหายไปได้เพราะจะมีเรื่องอย่างอื่นศรัทธาในเรื่องอื่นมามากลบมารลบล้างศรัทธา ที่เราเคยมีอยู่แบบกับศาสนาพุทธได้เหมือนกันดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะประมาทอย่าไปคิดว่าเราเราเป็นพุทธศาสนิกชนเรามีศรัทธาเราทำบุญของเราอยู่เป็นประจำก็าตามแต่เรายังต้องทำอีกคือเรายังต้องปฏิบัตินอกจากการทำบุญให้ทาน การรักษาสิ้แล้วการบำเพ็ญความธรรมแล้วเรายังต้องปฏิบัติเราจะต้องทาให้ธรรมะที่อยู่ข้างนอกธรรมะที่อยู่ในใจของครูบาอาจารย์เป็นธรรมะที่มาปรากฏขึ้นในใจของเราให้ได้ถ้าเป็นธรรมะที่ปรากฏขึ้นในใจของเราแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้ามันเป็นเพียงความจำ เช่นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรภายในจิตในใจของเรามันก็ยังจะไม่เป็นมันไม่เป็นธรรมะของเราเป็นมันเป็นธรรมะของผู้อื่นเราดังนั้นเราจรึงควรที่จะให้ความสนใจต่อการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทำบุญให้ทารอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดอยู่ในวัดก็มาวัดก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่นอกบ้านก็ทำได้อยู่ในวัดเลอยู่สถานที่ใดเราสามารถทำได้เพราะการทาทานนั้นก็คือการให้นั่นเองให้อะไรก็น่าหลายอย่างมีข้าวของก็แบ่งปันให้ผูอื่นได้มีความสุขก็แบ่งปันให้ผูอื่นได้ มีประโยชน์ก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้มีโอกาสก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้เช่นสมมติเรานั่งอยู่บนรถเมล์เราเห็นคนอื่นที่เขาลำบากกับเราเขายืนอยู่เขาไม่มีที่นั่งเราอยากจะให้เขานั่งอย่างนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันไม่อยากจะเป็นเราจะต้องหาพระเชื่อมาจักบาร์มาเทำดีแบบเดียว การทําทานนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วมืนเป็นกว้างมากสามารถทาได้ทุกแห่งทุกส่วนการกระทำใดที่ทําให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์จากเราอันนั้นก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้ถ่ายคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขทานนี้เป็นการจะทําความดีบุญนี้คือคือผลที่เกิดจากการกระทําความดี เช่นทานนี่ก็เป็นการทําความดีอย่างหนึ่งทาแล้ว ก, ก็ได้บุญได้ความสุขทางจิตใจรักษาศีลหรือไม่เบียดเบีย น, นผู้อื่นก็เป็นการทําความดีอย่างหนึ่งผลก็คือบุญที่เกิด ท, ที่เกิดตามมาคือความสุขใจเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะมีความ ส, สบายใจไม่วุ่นวายไม่กังวลเราไม่เคยโกหกคุณพ่อคุณแม่เราอย่านี้เราจะสบายใจ พอเรายิ้ว่ายัางไงยังไงก็ไม่มีใครเขาะจะมาสามารถมามาจับผิดเราได้ว่าเราพูดโกหกเพราะเราไม่เคยกหกนี่ก็เป็นความสบายใจที่แต่จากการไม่ทําบาปไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็เป็นบุญอย่างเดีนเห็นคาว่าบุญเป็นเป็นคำที่เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเรา การตังเทตตังธก็เป็นบุญฟังแล้วเรามีความสงบยังมีความเรามีความรู้เราฉลาดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นความสุขเหมือนกันด้วยการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบระงับจากความคุ้งซ่านต่างๆระงับระงับจากความโกร ค, ความโกรธ ค, ความหลงแม้จะเป็นเพียงแค่ขณะเดียวหรือไม่นานมาก ก็ตานมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้รับควา ม, มเย็นเป็นเสดในโลกที่มีแต่ความวุ่นวายในโลกที่มีแต่ความความทุกข์เราฝึกทำสมาริก็เหมือนกับเราเข้าไปนั่งอยู่ในตู้เย็นเวลามีเรื่องอะไรร้อนๆภายนอกเราเข้าไปในเปิดตูเย็นแล้วก็เข้าไปนั่งเรื่องเรือห้องที่เป็นห้องอปรับอากาศ เวลาข้งนอกมันร้อนมากเราก็ทอบจะนัไน่ไในห้องปรับอากาศสักสักระยะหนึ่งก็ผ่อนคลายความความร้อนได้เรื่องงานต่างๆที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายให้กับจิตใจของเราถ้าเราทําสมาธิเป็นเราทรําจิตใจให้สงบได้มากน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทําได้มันก็ช่วยได้ถ้าสงบมากมันก็เย็นมาก ถ้ามันสงบน้อยมันก็เย็นน้อยถ้าสงบนานมันก็เย็นนานาสงบไม่นานมันก็เย็นไม่นานแต่ก็ยังดีกว่าที่จะทนอยู่กับความรุมร้อนยังอยู่กับเรื่องราวต่างๆคิดฟ ค, คิดกลุงแต่งฟุ้งซ่านไปหมดเวลาเร า, เรามีพลังทุกขทางด้านจิตใจขอให้เราเลิกเห็นคำว่า บ, บุญทันทีบุญที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือการทาําจิตใจให้สงบ ถ้าเราทําไม่ได้ก็ไหว้พระส่วนมนตไปก่อ น, ส ว, น, อาาน ส, สวดอรหันตสัมมาสวัสดิโตอิทธิพิโสสวดบทใจที่เราจําได้แล้วพยายามมีสติให้หยุดกับการสวดนั้นอย่าให้จิตเราไปพิดถึงเรื่องที่สร้างความมุ่นหมายากให้กับเราไม่ว่าจะเป็นอะไราก็ตามเราสามารถอป้องกันไม่ให้มันเข้ามาสวดในจิตในใจเราได้ถ้าเราสวดมนตกัน ถ้าเราทำฝึกทำสมาธิกันเพราะจิตของเราจะทำงานได้เีระอย่างคือถ้าจะคิดเรื่องนี้ก็จะคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราวุ่นวายอยู่กับเรื่องนั้นแล้วเราเรามาสวดมนต์แทนและพยายามเดินให้มันอยู่กับการสวดมนต์ไม่ให้กลับไปหาเรื่องที่สร้างความวุ่นวายให้กับเราเดี๋ยวเรื่องวุ่นวายนั้นก็จะหายไปจิตของเราก็จะสงบจิตใจของเราก็จะสบายขึ้นมา จิตของเราก็เหมือนกับโทรทัศน์ที่เราสามารถกดรีโมทได้เราจะเปลี่ยนช่องได้เราดูหนังหวาดเสียบมากคนลุกหวานตัวแล้วก็กดเปลี่ยนช่องได้ถ้าเราไม่อยากจะดูจิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าจิตของเรามีเรื่องวุ่นวายแล้วเราไม่อยากจะวุ่นวายกับเรื่องนั้นเราก็สวดมนต์สั่งหรถ้าเรามีสติมีสมาธิที่แก่ก็เลียงแต่กําหนดจิตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้น มันเรื่องนั้นก็ไม่สามารถเข้ามาในจิตในใจได้แต่ถ้าเราอยากจะกําจัดมันอย่างสาวรก็มีอีกวิธีนึ่งคือวิธีของปัญญาเราพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเรื่องที่เหมือนสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราแต่เนื่องจากเราไม่มีปัญญาเราหลงเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีมีอะไรกับเรา แต่เราไม่เห็นกายรักเราไม่เห็นนั่นจากทุกขังหน้าตาของทุกสิ่งที่อย่างที่เราไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเรื่องราววุ่นวายต่างๆนู่งที่เราไปยึดไปจิตเนี้ยมันจะวิเศษวิโสขนาดไหนแค่วันหนึ่งมันก็ต้องหายไปเหมดมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราไม่ได้เป็นเราไม่ใช่เป็นเราจะเราไม่ได้เป็นเจ้าของของมันอย่างแท้จริง เพราะง้เราวุ่นวายใจเพราะเรากลัวจะสูญเสียสิ่งที่เรารักไปแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมาเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเพราะเมื่อเรามาเรามาตัวตปล่าเปล่าแล้วเมื่อเราไปเราก็ไปตัวเปล่าเปล่าย้ายของที่เราไปยึดไปติดไปหวงนั้นมันเป็นของเราได้อย่างไรทั้งวันหัึงมันกับเราก็ต้องแยกทางกันู่ดี ถ้ามันจะแยกกันในขณะนี้ก็ให้หลันแยกกันไปยอมรับความจริงเป็นครั้งนี้แล้วใจของเราก็จะนับดับจากความวุ่นวายได้นี่จะเป็นวิธีวิโหมดแบบกดดับเครื่องไปเลยดับชีวิตทวรทัศน์ไปเลยปิดเครื่องไปเลยเป็นปัญหาเนี่ยนิพพานที่ท่านวันนรคก็คือดับความดับทุกข์ก็เหมือนแต่เราดับโทวรทัศน์เนยดูโทวรทัศน์แล้วมันวุ่นวายใจดูเลยทำไมก็ปิดเครื่องมาเส้ยมันก็หมดเรื่อง คนบางคนก็พยายามเปลี่ยนเช่านั้นเปลี่ยนเช่านี้ดูยังไงเดี๋ยวมันก็เบื่อดูยังไงเดี๋ยวมันก็เสแสรงอยู่นั่น mm. ดูมันจะวิเศษขนาดไหนเดี๋ยวดูแบบหวานเข้าทาๆซ่าๆมันก็เบื่ออยู่ดีนี่คือคำว่าบุญเป็นอย่างนี้มันมีมีการกระทําบุญมีหลายระดับมีหลายขั้นด้วยกันข อ, ขอให้เราทําอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ถานที่ใด อย่าไปคิดว่าการทำบุญจะต้องมาที่วัดโดยฐาเดียวการที่มาที่วัดนี้เป้าหมายที่แท้จริงก็คือมารับธรรมะเป็นหลักเพราะวัดนี้เป็นเหมือนกับโรงเรียนเป็นที่ศึกษาเรียนหาความรู้มาฟังธรรมอย่างวันนี้เราได้รับความรู้ที่เราอาจจะเคยรู้มาบ้างแล้วแต่ยังไม่กระจายพอแต่ถ้าเราฟังั้ำอีกแล้วได้รับการขยายความ ก็อาจจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นเสริมกําลังศรัทธาให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติการกระทาคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นไปช่วยนะครับความท้อแท้หยุดหนาเราอาเจยได้เวล า, าที่เราได้ฟังเทศน์การธรรมในการฟังถ้าฟังถ้าทำที่ฟังนั้นเป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการรู้จริงเห็นจริง จะเป็นเหมือนกับายาบำรุงที่จะช่วยกระตุ้นศรัทธากระตุ้นวิญญาณความขยันหมั่นเพียรให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติทางให้มากยิ่งขึ้นไปดังนั้นการปลูกฝังศรัทธาการรักษาศรัทธาเป็นเรื่องที่จาเป็นยิ่งสำหรับพวกเรา เราก็ต้องทําอย่างสม่ำเสมอด้วยการทําบุญในลักษณะต่ า, างๆนั้นเองทําที่บ้านทําที่ทํางานทําที่ไหนก็ทําได้ถ้ามันมีโอกาสมีเหตุการณ์ที่จะให้เราต้องทําเราก็ทําได้วันท่างกางเราเดินไปเจอของที่คนเหลืองเขาตกทิ้งว่าอยู่นี่ก็โอกาสที่จะทําบุญก็มีแล้วถ้าคนไม่เคยศึกษาเรื่องบุญก็อาจจะคิดว่าเอ้ย หวานหวนหวนปากแล้วหวานหูแล้วมีราบร้อนแล้ ว, ลวก็จะเก็บสิ่งของนั้นไว้เป็นของตนแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักว่าการเอาของของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการกระทาที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรไม่เหมาะก็อาจจะคิดว่าเอาของไม่มีเจ้าของเราลองเอาไปฝากหรือเอาไปถามคนที่อยู่ ใ, ใกล้ๆถามนั้นดูว่า เราล้วนเราเป็นของของใครแล้วก็อเอาไปฝากเขาไว้เราอย่าไปเอามาเป็นเป็นหมัดของเรานี่ก็เป็นโอกาสที่ได้ทำาึนแล้คือมีความซื่อสัต์สุจริตไม่มีความโลภอยากจะได้ของผู้อื่นแราเราต้องการอะไรก็ขอให้เราหามาด้วยวิธีที่ถูกต้องเช่นเราอยากจะได้เราเรามีเงินเราก็เอาเงินของเราไปซื้อถ้าเราไม่มีเงิน เราก็ทำงานทำการเก็บเงินเก็บทองแล้กเอนอเราได้เงินแล้วเราก็เอาเงานินไปซื้อของที่เราต้องการเราก็จะได้ทำในสิ่งที่ที่ดีคือทำบุญนั่นเองทำาการทำอะไรที่เป็นการกทำที่ถูกต้องก็เป็นบุญเหมือนกันการมีความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นบุญใช่ความสุกต้องเราลัวของไม่ใช่ของเรา เราไม่ควรที่จะเอามาครอบครองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความถึงที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิตฐิเพราะว่มีครามยินที่ถูกต้องแล้วการกระทําที่ถูกต้องก็ก็จะตามมาก็คือเราจะไม่เอาของชิ้นนั้นมาเป็นของเราเราก็จะเอาไปมอบไว้ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อเขาจะได้เสด็จหาเจ ข, ของต่อไปนคือเรื่องของบุญต่างๆ ม, มีหลากหลายวิธีด้วยกันและสามารถทําได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสถานเวลาใดขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่มันจะปรากฏขึ้นมาฉะนขอให้เรามีสติขอให้เราคอยให้รู้ถึให้รู้ทันถึงเหตุการณ์ว่าในแต่ละเวลานั้นควรจะทํำดุลในลักษณะใด อย่าไปคิดว่าจะต้องคอยวันที่นั้นวันที่นี้จะวันเกิดของเราเราถึงจะทําบุญกันการทำบุญถ้าทําเพียงแค่นั้นก็อดจิตใจก็จะก็จะผอมแห้งแรงน้อยจะไม่มีกํำลังวงางฌาเพราะว่าเหมือนกับกินข้าวปีละหนมันเกิดทีก็กินข้าวปีไม่ใช่วันเกิดก็ก็จะไม่กินร่างกายก็จะต้องผอมแห้งแรงน้อยตาจะก่อน แต่นี่เรากินวันะราต้องสามสี่เวลาบางคนกินมากกว่า น, นั้นนอกจากอาหารแล้วเรายังหายใจอากาศนี่ก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งถ้าไม่มีอาหารถ้าไม่มีอากาศร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้อากาศก็เป็นอาหารที่เราเราเราเอาเข้าไปในร่างกายเราแทบทุกทุกนาทีเลยนาทีนึงก็หายใจเข้าไปหลายๆลยครั้งด้วยกัน ถ้าเราทำบุญแบบนี้ได้แล้วโอ้โหรับรองได้ว่าเราจะเป็นเศรษฐีบุญเช่นพบมิตร้าและพระอรหันต์ต่างทั้งหลายท่านทำทุกข์ลงหายใจเข่าออกอย่างที่ท่านอย่างที่ทรงสอนถ้าอานหนังไว้ให้เจริญวารนานุสติเสแล้วทุกลงหายใจเข่าออกว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บเสมอถ้ามันอยู่ในจิตในใจของเราอยู่ตลอดเวลา มันจะไม่ประมามันจะไม่โลุกเพราะไม่รู้ว่ามันจะโลกุกออกไปหาออกไปทํำไมเมื่อตายไปแล้วมันก็แบกมันไม่ได้หรอกมันต้องกินเหมือนร้านออกไปไม่ได้ทิ้งให้คนอืนองกําหนดลกบ้าของความคือขอบของที่ไม่มีคุณค่าไปของที่มีคุณค่าคือมรรคผลนิพพานคือบุญคือความสุบความสุขของจิตใจนี้ทับไม่แบกกันซึ่งเป็นของที่ไม่หนักเลยบุญกุศล ยิ่งมีมากเท่าไรยิ่งกับทำให้จิตใจเราเบายิ่ขึ้นของบุญนี่แตกมีมากแทนที่จะหนักกับเบายิ่งทำให้จิตใจเราเบายิ่งทำให้จิตใจเรามีความสุขแต่สมบัติภายนอกยิ่งมีมากเท่าไรยิ่งทำให้เราทุกยิ่งมีความหนักอกหนักใจมากขึ้นไปดังนั้นแต่ความโง่เาวาลปัญญาหลงตนว่าเป็นผู้ฉลาดสามารถตอบกลนหาเงินหาทองมีอำนาจมากศามาก กับแบกกองทุกอันมโหลายอยู่ในจิตในใจโดยเร่ยนรู้ตัวนี่คืออวิชชาไม่คือความโลภนี่คือความโง่มันหลอกจิตของเราให้กลายเป็นเป็นท่าเป็นแบกกับ ข, ของที่ไร้สาะละไร้คุณค่าแล้วก็ต้องชุกกับมันไป จ, จนมันตายและวไม่ใช่แต่เฉพาะท่านี้เท่านั้นตายไปแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยไปดานหน้ากลับมาเกิดใหม่มันก็กลับมาทําอย่างเดิมๆทําทไปเรื่อยๆ ถ้าเม่ไเจอศาสนาพุทธแล้วเกิดศรัธทธาก็จะไม่รูเรื่องก็จะก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของความทุกขนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าได้เจอศาสนาพึทธแล้วเกิดมีเกิดได้ได้ได้คติได้คติขึ้นมาคิดได้เข้าใจในสิน่งที่อะไรเป็นเป็นโทษอะไรเป็นคุณได้ เราจะาสามารถแก้ไขนิสัยเดิงได้คือแทนที่จะไปสะสมนาบเงะะเืนลสกษณะสุดกองเงินกองทองอ า, านาจมรณะก็มาจัสมบุญกันถ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข อ, ของเราได้ของตนเองได้หรือเปลี่ยนนิสัยเช่นเคยถนับมือซ้ายแล้วหันมาใช้มือขวาสมมติว่ามือขวานี้ใช้ได้ดีก็ จะได้ประโยชน์ค่เป็นคุณประโยชน์กว่ามือ้ายสมมุตินะอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามือตายหรือมือขวานี่แตกต่างกันจากสมมุติว่าถ้ามือขวานี่มัน ม, มีประโยชน์มากกว่ามือตายมือ้ายมีแต่โทษมีแต่ ท, ตทตําไปแล้วทำให้แต่ทำให้เตาเซ็งหยู่เรื่อยอย่งนี้แต่ถ้าทํำด้วยมือขวาแล้วทําให้เราเจริญเราก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะหาความเจริญไม่ได้ก็จะวนเวียนอยู่กับความเสื่อมความเสีย Tier, ท่า น, นั้นอยู่อยู่เรื่อยๆฉะนันใดเรื่องของศาพท์นานี่ก็เป็นเรื่องที่สอนให้เรารู้จักว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราอย่างแท้จริงเราจึงต้องน้อมเอาสิ่งที่ศาพทนาคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เอามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเราเคย หมกมุ่นอยู่กับเรื่องการต่างๆาการมาลดการมาลงต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตเราก็ต้องพยายามลนะเลิกมันเมื่อเราพยายามละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเช่นตัวยาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายบุห ร, รี่ของที่มันเป็นโทษของเหล่านีน้มันไม่ได้มีคุณไม่มีประโยชน์แต่จะเลิกมันมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายได้แต่มันก็ไม่สะดวกดีไซน เราสามารถเลิกมันได้ถ้าเรามีความเข้มแข็ง ม, มีความเดียเด่ยวเดี่ยวเรามีปัญญาคือรู้ว่ามันเป็นโทษมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเราถ้าเรารู้ว่ามันเป็นโทษมันเป็นเหมือนกับงูพิษมีใครอยากจะเอางูพิษมาเล่นมาคล้องคอบ้างไม่มีใครอยากจะได้งูพิษมาคล้องคองแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นงูพิษต้องมีเราจะต้องหาวิธีกำจัดมันทันทีไม่ไม่อยากจะให้มันอยู่ใกล้ตัวเรา ยานเยสิ่งพฤติกรรมการกระทำของพวกเราที่มันเป็นโทษที่มันไม่ได้นําความสุขมาให้กับเราอย่างแท้จริงเราก็ควรที่จะปลดเพิ่มสลักมันให้มันห่างกับจากตัวเราจากจิตใจของเรา<ม>นี่คือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังจากจ่าสนาัญญาที่พี่ได้พูดเลยว่าสิ่งที่พวกเราแสวงหากันเช่นราบฤก อำ น, นาจมากสะนะความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราแต่มันจะกดดันจิตใจของเราให้มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจแบบนี้นจากตัวจากตึ้งนั้งเกียวดูเ ว, วลาเรารักใครสักคนเนี่ยเราจะต้องวุ่นวายกับคนที่เรารักต้องห่วงต้องกัวงวลไหนจะห่วงไหนจะ เอ่ออยากไม่อยากจะให้เขาทําในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทํานี้ถ้าเขาไปทําในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทําเราก็จะยิง่งหวาดใจแต่ถ้าเราไม่ได้ไปรักเขาแล้วเขาจะทําอะไรอย่างไรก็ไม่ได้สร้างความสร้างความยิ่งหวาดใจให้กับเราแต่พราะเราเกิดมีการราหลงคืออยากจะได้เขามาเป็นสมบัติอยากจะให้เขาให้ความสุกับเรายังก็เลยไปหลงรักไปชอบเขา แต่เนื่อเราไม่สามารถแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบงังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปมันก็ข้ามแต่ความทุกความไม่รู้การให้กับเราเมื่อเขาไม่ได้ทำตามที่เราอยากจะให้เขาทำนี่ก็เป็นผลที่ตามมาจากจากการที่เราไปไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรูกสูงเกณฑ์บัตรถูกต้ คือไปยินดีกับรูปเสียงเกิดรดถดสัพพะไปหาความสุขจารูปเสียงเกิดรดถดสภาพมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเป็นความกังวลใจขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องแก้ไขพฤติกรรมต่างๆความอยากในรูปเสียงกิดรดสภาพความอยากเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นมหาเศรษ ฐ, ฐีความความอยากเหล่านี้ มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่มันก็ฝังเล็กอยู่ในจิตในใจของเราแต่ถ้าเราพิจารณาให้เห็นว่ายิ่งมีเสี่งเหล่านี้มากเทาไรเพียงไรมันยิ่งเป็นเรื่องหนักอกหนักใจกับจิตใจของเราเพียงไนไม่เหมือนกับเรื่องของบุญเรื่องของบุญนี้เราทํามากเท่าไรมันยิ่งทําให้ใจลำบากให้เรามีสมบัติมีอะไรที่เราไม่ใช้ เราเก็บไว้เราก็ต้องคอยกังวนคอยดูแลคอยรักษามันเวลาหายไปเราก็เสียใจยทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปใช้อะไรมันเพียงแต่พอเห็นมันก็มีความรู้สึกดี อ, อกดีใจไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเราตัดใจได้ว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ใช้มันเอาไปให้คนที่เขาไม่มีดีกว่าเช่นเรามีเสื้อผ้าเหลือเฟือเหลือใช้บนตู้เราก็ไม่ได้ใส่มันเก็บไว้เป็นปีก็ไม่ได้ใส่มันไม่รู้เก็บไว้มาทำไม ไปคนที่เขาเขาไม่มีโอกาสที่จะมีเสื้อผ้าเหล่านี้ใส่ให้เขาได้ใส่ให้เขาแล้วเราจะมีความสุขใจเราก็จะเบาขึ้นไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเสียดายกับสมบัติต่างๆเนี่ยคือจาดปัาสอนให้เราแบแต่ของเบาๆแบกแต่ของที่ให้เรามีความสุขพวกเรา กับชอบแบบของที่มนุษย์ให้ความทุกข์ชอบแบบของที่หนักหนักหนักอกหนักใจกุ้งอกกุ้งใจก็เพราะเรื่องราวเรื่องราวต่างๆที่เรามีครอบครองอยู่ทั้งนั้นแหละเรื่องสมบัติเรื่องเงินทองเรื่องเรื่องยากาเล็ตลุกตาหายลุกหลานสามภรรยาเรื่องราวเหล่านี้เรื่องเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจทั้งสิ้น ดูพระพิทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอริยสงฆ์เป็นตัวอย่างท่านไม่ได้ถ้าไม่ได้มีสมบัติแบบนี้เลยท่านมีแต่บุญอยู่ตลอดเวลาท่านมีแต่ให้ตลอดเวลาท่านมีแต่สื่อยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ไม่เบียดเบียนผ้อื่ท่านมีสมาธิมีจิตที่สงบอยู่ตลอดเวลาท่านมีปัญญามีสมาทิิความเห็นชอบอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นกจรักอยทุกขณะจิต เห็นความเสื่อมเห็นความเจริญแต่ความเสื่อมนี่มันมันเกิดมันมาคู่กันอยู่ตลอดเวลาเห็นความทุกข์ที่ต้อนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เห็นการความไม่มีตัวไม่มีตรงในสิ่งทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ทำให้ท่านมีมีบุมมากมีมีความสุขมากนี่ก็คือสิ่งที่ท่านสอนให้เราจะสมกัน แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นอริยสัพปะดาคือเป็นสมบัติเป็นสัพของของของผู้ประเสรศิฐของพระอริยะทั้งหลายผู้ประเสริฐก็คือผู้ที่รู้ผู้ผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเย่างแท้จริงส่วนพวกเรานี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นพระอริยะกันก็เพราะว่าพวกเรายังโง่เถาบังปัญญากสนอเรายังหลงอยู่กับพวก จิตเห็นจินตายแทนที่จะไปหลงกับแผ่นดินจินดาเรากลักบไปชอบ พ, พวกจิตหินจินตายกันชีวิตของพวกเราจึงไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหมีแต่แบกความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรานำเส้นที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ท่า น, ท, านท่านสอนให้เราปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะเป็นเศรษฐีบุญเราจะเป็นเศรษฐีธรรมะ แต่เราจะเป็นคนยากจนทํางด้านทางโลกต้องเงินก็คงจะหมดถ้าทำบุเยอะๆทั้วันก็ต้องหมดแต่ถ้าคนที่ได้ได้ได้ความสุขจากการทําบุญแร้วเขาไม่เสียดายเขาทำบุญหมดบวชเับก็บวชเขาก็ออกบวชคนที่ออกบวชก็ต้องสละหมดแล้วสมบัติเงินทมีมากมีน้อยเก่งไรก็สละหมดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างต้องสละแล้วก็สะสมบัติ มีปราสาอยู่ตั้งสามหลัง 3, สาปราสาทสาม่ดูก็ไม่เอาไปนอนอยู่โคนต้าไม้อย่างนี้ตอนยากจนเป็นคนเป็นขอทานต้องไปอาศัยท่าข้ากิน่นทุกเชาก้าว่าต้องถือบาตเข้าไปในอยู่บ้านขอท่าข้ากิน่นเป็นยาจากทางโลกแต่เป็นเศรษฐีทางธรรมทางบุญ ด, ดีกว่าเป็นเศรษฐีทางโลกแล้วก็มีแต่ความกดดัน เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาแต่แต่เป็นยากจบทางทางธรรมหาความสุขไม่ได้เลยวันวันนึงมีแต่นอนกายเน้าผามีแต่บ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ได้หาความสุขกันไม่ได้หาความถุกกัน น, นี่นะ่ะคือความหลงกับความรู้เป็นอย่างนี้ความรู้ ทางด้านปัญญาก็ต้องทางสักาทางพระพุทธธรรมวัฒธรรมทางพระสงฆ์นั่นแหละคือแสงสว่า ง, ท, างที่สวา่างเราเดินอยู่ในที่มืดกับที่สวา่างนัแตกต่างกันสมมติว่าถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในี่เดี๋ยวนี้แนละ้วเ <c oughs> กิดมีชุริยคฆาตเกิดมีพระจันทรมาบทบังแสงอาทิตย์มันจะมืดสนิทเลยจะมองไม่เห็นอะไรเลยจะไม่รู้เลยว่าน้ำขวดไหนอยู่ตรงไหนอย่างนั้ จะหยดนี่ก็หยดิดๆอยากจะฉันน้อย่างนี้ก็ไปหยดน้นออย่างานะครับนี่คือลักษณะของความรูดบอดของอาวิชาของความเห็นผิดเป็นชา้าวเห็นกงจักเป็นดอกโวกเห็นกับตาละปัน่นแต่พอมีแสงสว่างปรากฏขึ้นมาพึกก็เห็นโอ้อยากจะกินอยากจะดืม่มน้ำชนิดไหนก็าาสามารถหยิบขึ้นมา ด, นดื่มได้เพราะเห็นเห็นชัดเจนมีแสงสว่าง กันใดเรื่องบาปเรื่องบุญเ่องสุขเรื่ทุกข์ก็ก็เหมือนกันถ้าอยู่ในความมืดของโมหะอวิชาก็จะค้าผิดควาทุกส่วนใหญ่จะคว้าแต่ความทุกข์เข้ามาเพราะมันมีความทุกข์นีมน้มันมันฉลาดมันมักจะซ่เล่นอยู่ที่อยู่ภายใต้ความเจ็บที่เป็ น, นเหมือนกับถิวน้ําตาลเครือบความขมอนะไรอย่างนั้นใครกินยาขมเคลือบน้ำตาล เวลาอมไปนิดเดียวเดี๋ยวความความหวานนั้นก็หมดก็เป็นให้ยึด ก, กลื อ, อยาอยานี่ครับเพืบไว้เพือเ่อกันไม่ให้ถ้ามันถ้ามีแต่ลดขมเราจะกินไม่ได้ก็เลยต้องเคพื่อสารบางอย่างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลดขมนั้นนำปรากฏขึ้นมาอย่างใดความทุกในความทุกในเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันจะซ่อนอยู่ภายใต้ความสุขเราแต่งงานเราก็คิดว่าเรามีความสุข เรามีรูปเราก็มีความสุขเราได้อะไรเราก็มีความสุขแต่เราไม่เคยมองด้านเวลาที่เราจะต้องเสียลงไปเวลาที่เราจะต้องจากมันไปหรเวลาที่มันจะต้องจากเราไปมันให้ความทุกข์กับเราขนาดไหนในงานศพไปดูคนร้องห่มร้องไห้กันไปโรงพยาบาลไปดูคนก็ร้องห่มร้องไห้กันที่เรามองไม่เห็นกันเพราะว่ามันทุกข์มันซ้อนมันซ้อนอยู่ คนที่ไม่มีแสงสว่างจะมองการทำจะมองไม่เห็นจะเห็นแต่ความสุขที่มันเป็นฉากบางหน้าอัู่นั้นเองแต่ตัวตัวตัวอุบาตตัวความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังนี้เราจะมองไม่เห็นเวลาเราทําอะไรนักจะเห็นแต่ผลดีเท่านั้นพูดทํานี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนีน้พอมันไม่ดีอย่างใจก็มาเสีย อ, อกเสียใจายภายหลังก็เพราะว่ามองด้านเดียวไม่เคยคิดว่า เราส่วนที่มันไม่ดีมันไม่มีบ้างเลยทุกครั้นเวลาเราจะทำอะไรเราเห็นว่าอะไรดีเราถามตัวเราเองบ้างว่าแล้วมันไม่มีอะไรไม่ดีบ้างเหยที่มันอยู่ในตัวตัวของตัวนั้นอ่ะมันต้องมีทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเป็นคนหรือเป็นวัตถุเป็นอะไรทั้งหลายมันมีตานนักอยู่ทั้งนั้นมันมีความทุกข์ต้อนร้อนอยู่เพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง มันไม่มีตัวตัวมันไม่ใช่เป็นของสมบัติของเราอย่างแท้จริงมันอยู่กับเราได้วันนี้พรุ่งนี้มันก็อาจจะจากเราไปได้เหมือนกันเราจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นี่คือแสงสว่างเราควรจะทานหมดนะเ้าไม่เป็นไรทานหมดนะมาทานหมดไม่เป็นไรอยู่ฝันใครมีถามมั้ ไปนะครัมันมันมันแค่แค่ว่าลองเปลี่ยนดูกได้ลองเปลี่ยนดูกได้ทานน่าจะนอนแล้วนะพรามัน้ไมด้ไปจับอะไรทั้ไรมันมันอยู่ดีหมดไปไม่ใช่าทานหมดทุ่มแรง เรอนี้ใครอยากถามก็ถามได้เรื่องมันกระสุกแต่มันเสียงหมหมเนื้อหมดตัวทั้งตัวเลย เวลาจำเป็นต้องใช้งแล้วมันไม่พอจังที่มันมันร่วงวายนะฮะ้าภาพจิตใจนม่เก็มที่าก็มีงินจำลองเยอะข้างในเราตัวก็จะข้างในมันมันนสวิตซ์็นข้างในันเหมืนเป็นนิจจางอย่ยเมี้ยจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครจะรูโลกเมื่อไหร่มะเห็นตัวได้ ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นไรหรอกเราก็ถ้าเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะไม่ไม่วุ่นวายใจรู้ทันมันทําเมก่อนะก็ไม่ได้ไปหวังอะไรจากอะไรบางทีบางอย่างมันมีภาระอยู่นเราจะทำไว้แล้วความจริงมันเหลือเหลือภาระของเราเะ เมื่อความจริงมันถึงมันปรากฏเร่องเดครมันระเบิดตรงนี้ปูนอะไรเราจะมีท้าแล้อะไรมันก็มันก็หมดท้าแล้วไปหมดแล้วใช่ไหมมันความจริงมันเป็นสิ่ที่มันเหนือเนื้อสิ่ที่าอะไรมันจะเกิดมนก็ต้องมันก็ต้องมันไม่ได้ยินรเออเข้าใกล้ๆเหมือนกันเสียละ็สี่ละนี่นะจารย์ถ้าหนูหนบอกว่ามันไม่เที่ยนไง เ, เข้ามาใกล้ๆหม้จะได้ได้ยิน <Yeah. S 2> เข้ามาใกล้ๆขยับเข้ามาใกล้ๆก็จะไม่ได้นั่งตามสบายตอนนี้เสื่อขยายเสียง ม, มันเสีย้วไม่เทีย่ยง <laughs> วันนี้เห็นธรรมะตางตาเนยครับไม่คือข้อใดลกิณะทข้างในมันเนี่ยอาจจะมั น, มนหลวมหรืออะไรทํานองนั้น ใครก็ไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยนะเขียนว่ากันเองเป็นคราวที่แล้ว่ะมันไม่ไม่เที่งจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทได้เปิดซ่อมได้ใครอยากจะถามอะไรก็ได้นะที่ได้แต่งพูดถึงเรื่องของเรื่องการทาบุญนะฮะโยมส่วนใหญ่ก็ คิดอ่านที่จะเลือกทําบุญที่ที่ได้บุญเยอะๆนะฮะแต่คร น, นี้เราก็ประมาณไม่ถูกเหมือนกันว่าจริงอย่างไทยว่านไหมทําทานแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยให้บุญเสมอการหรือเปล่าอย่างเงี้ยคนก็ส่วนใหญ่โยงก็จะเลือกสิ่งที่ได้ล่ำลือกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ต้องล้มเรา เ, ราเราก็ไม่ทราบมันมันวันด้วยที่ใจของเราแหละเราทําอะไรแล้วเรามีความราบซึ้งใจมาก ที่มันกระทาประเทือนใจเราบ้ากอันนั้นะเป็นบุญมากสำหรับเราสมมตนนิเรากําลังหิวข้าวมีข้าวอยู่จานเยอะแต่เราดันไปเห็นไคนที่มันพ้อมพรอมโซเซเดินมามันไม่ได้กินข้าวตั้งสี่ห้าวันถึงมแม้เราจะหิวข้าวเราอยากจะอยากกินข้าวจา น, นนั้นเราเกิดความสงสารให้คนนั้นมากกว่าสงสารเราเราเอาข้าวสับข้าวจานนั้นให้มันกินอันนั้นก็มันก็บุญมากเพราะมัน มันชนะกิเลสในใจเราได้ความที่เราจะรักษาได้เหรอได้เหรอฮัลโหลฮัลโหลคนละยางกันนะดิงไม่ได้หรอกได้ได้มันเป็นของของมันนะแล้วมันเปิดเสียบเสียบผิดอ่ะเสียบผิดน่าจะมีแต่คุณระเบิดยู่ะ้มันมีแจ็ตัวไหม่หือตัวนี้มันละตรงนี้มันนัตนี้แหละเสียบตรงนี้แหละที่มันได้ขอด้าย ใช่มันต้องเอาไงโอ้เท่แล้วไม่ได้มันมาถึงเอาเอาเข้าเครื่องเทคเครื่องไม่ใช่ไม่ใช่เออมันมีมันมีมันมีแจ็คตัวไหมหรือายที่ต่อตัวนี้ถ้าไม่มีไม้หรือลายไช่ไม่ได้คือใช่เรขออมันต้องมีตัวนี้แล้วมันต้องมีตัวเล็กเสร็จตัวหน่งแจ็คมันต้มีแค่คนบวตัวนั้นก็จะมีเล็กเกเป็นภาษาท ขด้ไรกันแต่เนี่ยของจริงได้ไหมไม่ได้ที่จริงแจตัวนี้มันไหม่ตัวนี้มันมันรูมันใหญ่ไงมันต้มีอีกตัวนะมีตัวแท็บเตอีกตัวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำไมซื้อสายไปใช่ไม่ใช่สายเปิดสุดๆมันก็มีันเดียวมันก็มีอันตัวมัขนาดกันนะมันต้องมีอีกตัวนึง ในเวลาเมืเ่อก่อนแล้วก็ไม่มีแล้วก็อยู่กันได้แต่ตน้นนี้ประชดกัเยอะเมื่อก่อนที่มา <c oughs> เราก็ไม่ได้มีตัวนี้อยู่ตรงไหลายทุ่งเลยอยู่ตรงหลายทั้งนั้น <c oughs> ก็พอฟังได้พอสืไอยก็ได้แต่พอเราต้องไปพึ่งพาอะไรเข้าแลา้วก็เกิดปัญหาตามมาท่านสอนว่าก็สมัยพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมตอบ ถ้าสงต้องหนึ่งันสองร้ลูกก็ไม่มีปรากฏว่ามีมครบอกเยัยังมีคนถามเลยแลแ้วจะคนต้องพันสองร้สิบลูกจะได้ยินนะตอบไม่รู้แต่เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็อาจจะเป็นบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าก็ได้นะพระพุทธเจ้าท่านอาจจะกลางวานหร คือหลงตาที่ท่านเมื่อก่อนนี้ฟังฟังท่านพูดท่านก็ไม่ได้ใช้ท่านอยู่ในศาลาท่านประเทศท่านญาติโยมท่านศาลาฟังได้โดยที่ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนสะไรก่อนก่อนเนี่ยเห็นท่านกระดังคอที่จะฟังได้เพื่อท่านศาลาแต่ธรรมานิยมรับว่าเป็นคนที่เสียงเบาเสียงเบามากแต่ถ้าคนอื่นรับรองได้แค่ศาลาแค่นี้พูดดังฟังของท่านจะต้องใช้ใหม่แล้ว ปล่อยวางได้แล้วเนี่ยผมไม่ได้ต้องทำมากินดีสงบแต่หมดเป็นธรรมชาติอ่าเป็นธรรมชาติก็จะเนยปุสสรบุญที่เกิดขึ้นจากการถือศีลห้าศีลแปดเนี่ยมันมันต่างกันมากขนาดไหนมากเลก็ถ้าถือศีลแมันก็ช่วยทำ่ยนให้สงบ มันเพราะว่าศีลแปดนี้เป็นเพิ่มอีกสามข้อนี้เป็นตัวที่จะให้เราได้เข้าสูาส่ความสงบเพราะถ้าศีลแปดแล้วเราก็จะดูโทรทัศน์่องเพลงไม่ได้เราจะไปยุ่งกับเรื่องการมุทิไม่ได้เราก็ต้องมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งทําสมาธิมันก็จะได้ความความสุขที่ละเอียดกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลห้า การรักษาศีลท้าทำให้เราไม่วุ่นวายใจไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หวั่นไหวว่าจะมีใครม า, าจับเราเอาไปทำโทษเช่นเราไม่ได้ไปเอาทัพย์ของผู้อื่นใครเขาจะจับเราไปเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความกังวลแต่มันก็ยังจิตมันก็ยังคิดนู่นคิดนี่ได้อยู่มันไม่กังวลเรื่องศีลแต่มันก็อาจจะกังวลเรื่องอย่างอื่น เป็นกังวลเรื่องลูกเรื่องเรื่ามีเรื่องภร ร, รรยาเรื่องงานเรื่องการได้แต่ถ้าเราถือในธรรมะเราก็จะต้องภาวนาการถือในธรรมะก็คือไม่ให้เราไปไปไปไปไ ป, ไปวุ่นวายกับเรื่องงานต่างๆถ้าถึงว่าถ้าเราดูดูละครดูอะไรเดี๋ย ว, วเราก็คิดพวงตามไปด้วยตามละครแล้วก็คิดถึงเรื่องของเรา ก็ทำให้เราเกิดความกังวลเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ดูละครเราไม่ได้ฟังเพลงเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างมันก็อาจจะน่าอ่นหสือธรรมะทนฟังเทศแทนหรือ ส, ส่วดมนต์นุปภาวนาเดินจงกรมแทนมันก็จะทําให้จิตเรานั้นมีความสงบเพิ่มขึ้นไปมันไม่ต้องไปคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งๆ มันจะพาให้จิตของเราพัฒนาสูงขึ้นไปทุกอย่างง่ายๆคือให้เข้าสู่ความสงบมากยิ่งขึ้นไปเพราะถ้าถือสี่ห้าอย่างเดียวมันไม่พอถือสี่ห้านี่ยังยังดูหนังดูละครได้ยังมียังนอนกับแฟนได้ยังมีอะไรเรื่องราวต่างๆได้มันก็จะไปหมุนกับเรื่องราวอย่างนี้นถึงแม้มันจะไม่ผิดศีลแต่มันก็ไม่มันก็ยังเป็นเขาเรียกว่านิวรณ์ข้ามชันทะนี การถือการถือศีลแปดก็เป็นการช่วยกำจัดนิวรณ์กำจัดกา ร, รมฉันทะเรารู้ว่าถือศีลแปดนี่เรารู้แล้วยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้นะถึงแมาจะเป็นสามีเป็นภรรยากันก็ตามมันก็มัน ก, มนก็มันก็ตัดปัญหาเรื่องเรื่องกา ร, รมฉันทะไปได้ในในระดับหนึ่ง เรื่องรับประทานอาหารก็กำจัดได้เห็นไหมหลังจากเที่งวันแล้วเราก็ไม่ไม่กังวลแล้วกับเรื่องรับประทานอาหารต่อไปแต่ถ้าถือ 5, นนคิดห้เดี๋ยวเยน็นนี้ก็คิดแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะไปกินอะไรดีไปกินอาหารที่ไหนดีเอ่กินอาหารเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนนอนก็ยังคิดจะกินอะไรต่ออในบางทีนอนหลับไปกลางคืนตื่นขึ้นมาเปิดตู้เยน็นเห็นขนมก็ยังอดที่จะกินต่อไม่ได้เมื่เห็นข่าวขนี้จิดแตกสองด้ ก็ถ้าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะฟังไม่เกิดประโยชน์แต่จะว่าจะฟังก็ไม่เสียหายอะไรทำได้แต่ถ้าเราอยากจะมุ่งมั่นไปในทางความสงบการฟังข่าวขาวมันก็เป็นการสวนทางกันอยู่ดีมันทําให้จิตเราพุ่งได้เกิดความวุ่นวายใจได้ในขณะนี้เกิดเขากําลังยิงกันอยู่ในกรุงเทพเราไม่ได้ยินข่าวข่าวนี่ แล้วก็สบายใจสงบใจไม่รู้มันทำไมเรื่องราวเหล่านี้เราต้องรู้ว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องกตสติเขาทํามากันตั้งแต่สมัยไหนอยู่แล้วสมัยอยุธยามันก็ทําแบบนี้สมัยสุโขทยมันก็ทําอย่างนี้มันทํากันมาอยู่ตลอดเวลามันก็แข่งแย่งแข่งแย่งอํานาจกันไปชิงกันไปชิงกันมาท่ากันไปท่ากันมาอยู่ตลอดเวลา เราถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้งของกับมันนะมันก็ไม่เป็นไรเราอยู่ตามป่าตามเขาของเราเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ mm hmm. การแต่งแย่งชิงดีอำนาจกันนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในกรงเราก็พยายามทำใจของเราให้อยู่ในป่าคือ mm hmm. อยากไปกังวลกับเรื่องราวเหล่านี้กังวลเราก็ไปทำอะไรไม่ได้ใช่ไหเราก็ไปห่างเขาไม่ให้แย่งชิงดีไม่เขาทะเลาะวิวากันได้ mm hmm. ดูแล้วก็ปล่อยวางรู้ได้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางรู้ไว้ก็ดีผ ม, มว่าก็จะได้มีเตรียมเตรียมหาทา ง, งทหนีทีแรกแต่มาอยู่บนเขานี่ก็ไม่เดือดม า, ากย้ามาอยู่บนเขานี่สบายแล้วนันจะม่ผู้หญิงม่อยู่นันจะไม่ใหผู้หญิงอยู่ก็ไปอยู่ตามสำหนักที่เขาให้ผู้หญิงอย่ตำนักคุณแม่แก้วอย่างนี้นแล้ออนนกวก็เกาะเท้าสวนหลวงไปอยู่ที่บ้านต่ากก็ได้นะ นี่สำนักครูบาอาจารย์ที่ม่ที่ปฏิบัติทั้เรามัน่องไปติดของเหล่านั้นกันเองมีใครต้องบังคับให้อยู่ไม่มีใครก็บังคับให้าอยู่ที่นั่นเท่านั้นเราอุปทานความยึดมั่นคือมั่นในความสุขในความสบายในความเคยชินกับชีวิตที่เราเคยอยู่เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงกันแต่ละเปลี่ยนทีมันมันมันตอบมันมันบาดเหมือนกัน ต้องมาใช้มือซ้ายเคยใช้มือขวาแล้วต้องมาใช้มือซ้ายอย่างนี้มันก็มันก็อึดอัดใจไม่สบายใจก็อย่างที่บอกเนี่ยมาทําบุญเนี่ยมันยากนะมันต้องบังคับ ต, คต้องคอยเอเข็นเที่ยวต้องคอยเข็นมันมันถึงจะทําได้แล้วปล่อยให้มันทําแบบไปเที่ยวไม่ได้หรอกไปเที่ยวนี่ไม่ต้องบังคับมันเลย <c oughs> เพื่อนโทรมาเิ้งเดียวรีบแต่งตัวไวละ <c oughs> กลัวกลวจะแต่งตัวไม่ทันเนอะแต่แถ้าเราทำบุญแบบเราไปเที่ยวนะว่าเราไปถึงไหนแล้วล่ะถ้าจิตใจเรามีความรักการทำบุญเหมือนกับรักไปเที่ยวนะตอนนี้เราไปถึงนิทานจบแล้วแต่มันกลับตรงกันข้ามกันเวลาเราทำบุญนี่เหมือนเราเมันก็จะถูกลากเข้าคูขเข้าตารางอย่างนั้นแต่สําหรับ ก็ น, นี่มัน ไ, e, ไม่ได้หมายถึงญาติโยมนะเพราญาติโยมก็คิดว่ามามากันงาน่ายถ้าเปรียบเทียบกับคนบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่เอาเลยเรื่องวัดเรื่องวานเรื่องการทำบุญเรื่องอะไรต่แต่เราก็ยังสามารถพัฒนาไปได้เยอะยังทําบุญที่เราควรจะได้ทํายังมีเยอะถ้าไปถึงขั้นพระพระอนนได้สบายที่พระเจ้าสอนพระนอนนว่าให้เจริญ บุญอยู่ทุกลมหายใจเขาออกให้ทําบุญอยู่ทุกลมหายใจเขาออกคือเราเลึกถึงความตายเนี่ยเราเลึกถึงความเสื่อมเนี่ยเราเลึกถึงนอนิจจานี่ยอยู่แล้วเวลามันเกิดขึ้นจะไม่มีความรู้สึกตกอกตกใจหวาดเสียวจะไม่วุ่นวายใจจะเฉยแล้วก็ให้เหตุการณ์มันเกิดขอึ้นปรากฏขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนนอนห ล, ลับฝันร้ายขนาดไหนพอตืน่นขึ้นมาความฝันร้ายทาั้งหลายมันก็หมดไป คามแกความเจ็บความตายมันความตายมันก็แค่ขณะเดียวเท่านั้นแหละ mm hmm. เวลาไม่หายใจปั๊บมันก็ตายแล้วพอมาเกิดทีมันก็ลืมไปแล้วว่าตายมาตายถ้าไม่ตายก่อนจะมาเกิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องตายมาก่อนถึงจะมาเกิดได้พอเรามาเกิดแนละ้วเราก็ลืมไปแล้เรื่องความตายว่าเป็นยังไงแต่ขณะที่ก่อนเราตายเนะี่ยเราวุ่นวายกันมากเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใ จ, จมกันเลยมันทรมานตอนนั้นนะ แต่คนที่เตรียมตัวเตรียมใจคอยสอนอยู่ตลอดเวลาสอนใจอยู่ตลอดเวลาพอมันเกิดขึ้นปั๊บมันก็ไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ทรมานใจ <c oughs> เวลาสูญเสี ย, ยใครไปใครเข้าไปก็ไม่เลยเศร้าโศกเสียใจจริงไม่ได้นอะนแน่หรอกไปก็ไปก็รู้อยู่แล้วก็ต้องไปเคยฟังเทศของท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านเล่าว่าครอบครัวเนี่ยก็มีพ่อแม่มีลูกชายแล้วก็มีลูกสะใภ้ จะครอบครัวนี้ครอเจริญมานานนึกสติตลอาเวลาท่าหบอกนะทุกคนรู้ว่าจะต้องไปกันพอเวลาแม่ไปก็ไม่มีใครร้องห่มร้องให้เวลาพ่อตายก็ไม่มีใครร้องห่มร้องให้ึงเวลาก็ทําำดพลงไปเผาลงไปก็จบนล้วมันก็ผ่านไปพอเวลาตัวเองตายก็คนอื่นก็เอาไปทำศพไปเผาไปก็จบก็ไม่เห็นมีอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา เหมือนตอนพระาทิตย์ตกดนินก็ไม่มีใครมานั่งรง้องห่มร้องไห้เวลาพระอาทิตย์ตกดินมันอยู่ที่ใจเราเท่านัน้นเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นจะจะจะรู้อนิจจังหรือไม่รู้อนิจจังมันก็เกิดขึ้นมันก็ตายเหมือนกันเลยแล้วมันความรู้สึกทางจิตใจมันต่างกันตายหนักหรือตายเบาตายสุขหรือตายทุกข์เท่งนี้อยู่สุขหรืออยู่ทุกข์ก็อยู่ตรงที่ความรู้นี่เอง ถ้าเรารู้อา น, นิจังอยู่ตลอดเวลาอยู่ก็เป็นสุขเวลาตายก็เป็นสุขไม่วุ่นวายถ้าเราไม่รู้พอหมอบอกว่าคุเป็นมะเร็งนี้โอ้โหยังไม่ทันตายก็ ก, ก็ตายใช่ก่อนนะตายตายใช่ก่อนเนะี่ยไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไปเ <c oughs> นี่ยมันต่างกันแค่นี้เองแต่เรื่องความตายความแก่ความเจ็บนี่มันมีเท่ากันทุกคนเนะี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกัน เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้แกเ่เจ็บตายเหมือนพวกเรานะท่านสบาย ท, าท่านก็เฉยเฉยถึงเวลาจะไปก็ไป ว, ว่าก็ไม่เป็นของเขาอ่ะ <laughs> เราเรา ไอคนที่ว่าคนอื่นเนาะมันมีความสุขหรือมันหรือมันวุ่นวายน่ะมันมันเรื่องของเขาปากหูปากกาแล้วไปห้ามได้ที่ไงแต่มนกนกมันเนาะมันร้องมันยังไปห้ามนกไม่ได้เลยแต่ถ้าเราจิตใจเระหนักแน่นขนาดนั้นแล้วเราจะไม่กมังวลต่อความใครจะพูดอะไรใครจะด่าอะไรมัน เ, นเรื่องของเขาใครจะชมก็ไม่ได้ดีใจกับคาการทำชมของเขาใครเขาจะตําหนิใครก็จะว่าเราเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขา เพราะเขาก็ไม่ได้มาแก่ให้กับเราเขาไม่ได้มาเจียบให้กับเราเขาไม่ได้ตายกับให้กับเราเราแก่เราเจียบเราตายเขาก็ไม่ได้มามาอะไรกับเราใช่ไหมเขามาแก่แทนเราไม่ได้เจียบแทนเราไม่ได้ตายแทนเราไม่ได้เขาทุกข์แทนเราไม่ได้ดังนั้นเรื่องของคนอื่นมันเป็นอนัาตาข้างอย่างเราอนัตตาไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราเหมือนการลมกับแดด เราไม่เคยไปกังวลกับเรื่องลมกับดแดดเราจะกังวลกับเรื่องคนอื่นเขาทาไมเหมือนกันคนอื่นเขาจะทำอะไรเขาจะชมเราเขาจะชอบเราเขาจะเกลียดเราก็จะด่าเราก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้หลังก็ทําไปแล้วเราไม่ไปตอบตัวเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่มายุ่งกับเราด้วยเขาไม่เข้าใจไงถ้วเ้าเข้าใจเขาก็ไม่ว่าเราอ่าใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเด็กอ่ะ เด็กมันไม่เข้าใจมันก็ทำไปตามภาษาเด็กผู้ใหญ่จะไปโขนเด็กได้ยังไงผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเด็กมันก็ร้องไห้ร้องร้องห่มร้องไห้รุ่นปลายโทษคนนั้นโทษคนนี้รุ่นปลายเป็นแบบทํา แต่คนเขาไม่ยอมมาแล้วเพยายามบอกเขาเพราะว่าความสัตครับเป็นการทำให้คุณเราควรอยากมางคุณคือหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่บอกของที่ดีแล้วอันนี้เหมือนคนที่เขาบอกหวยเนี่ยวันนี้จะออกเลขนี้ยคุณจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของคุณนะใช่ไหมถ้าคุณเชื่อแล้วคุณซื้อคุณถูกมันก็เป็นบุญของคุณอ่ะคนบอกก็ไม่ได้อะไรแต่คนที่เชื่อเขาก็ได้เขาซื้อแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ถูกเขาก็เสียใจของเขาไปเองดังั้นเรามีหน้าที่บอกสิ่งที่ดีที่งานก็บอกเข้าไปแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายใจกับเขาว่าเขาจะเชื่อไม่เชื่อเราไปบงังคับเขาไม่ได้เรื่องเความเชื่อเรื่องจิตใจของเขาส่วนเขามาเขาไม่มาก็จบแต่เท่านั้นเราทําหน้าที่ของเราแล้วทำหน้าที่ของการเรียนนั้นนีคือเพื่อนที่ดีมอบสิ่งที่ดีให้กับเขา เมื่อเขาเขาไม่ยินดีกับสิ่งที่เรามองให้ก็ก็แล้วไปแต่สักวันหนึ่งเมื่อเขาได้ได้ได้มาไดมา้มามีความเชื่อได้มาสัมผัสเขาอาจจะนึกถึงความดีงานของเราที่เราเคยพยายามมอบให้กับเขาก็ได้แต่ถ้าเราทําด้วยบุญจริงๆทําด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงแล้วน่าเราน่าจะมีความสุขแล้วที่เราได้มีโอกาสได้บอกเขาถึงเรื่องที่ดีที่งามทั้งหลาย เราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์แล้วเราได้ทําทานแล้ว น, นี่ก็เป็นการทําทานอย่างนี้โดยการบรอกเรื่องที่ดีกับผู้อื่บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีมีทองกองอยู่ก็เริ่มเลยอยากจะได้ก็รีบไปเอานะใช่ไหมเราก็บอกของที่ดีให้กับเขาแล้วนี่ก็เป็นบุญละเป็นการให้ทขางรียกวิทยาทานทานมีทั้งวัตถุทานเช่นให้ให้น้ําให้ข้าว ก็เป็นวัตถุทานให้ความรู้ก็เป็นวิทยาทานให้ธรรมะก็เป็นธรรมทานให้อภัยก็คือให้อาัทานยังไ ม, ไม่ไม่โกรธเขาเมื่อเราบอกเขาแล้ลวชวนเขาแล้วเขาไม่มาเราก็ไม่ไปโกรธใครนี้ก็เป็นการให้อภัยทา น, นการทำบุญบันลึกมันกว้างอย่างที่พูดเมื่อกี้ไม่ใช่อยู่แต่ว่าต้องไปหาพระอริยสงฆ์ อ, องค์เดียวแล้วก็ถวายท่านนั้น ถ้าแค่นั้นมั น, ม, นมันก็ตายใช่ปะก็ต้องไปเกาะชายผ้าเหลืองท่านอยู่ตลอดเวลาคอยทําแล้วมันก็ทําได้อย่างเดียวเท่านั้นเองรับปิดประตูกั้นบุญอย่างอื่นที่จะต้องทําเพราะในชีวิตของคนเรานี่มันต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆมากมายต้องเจอกับคนนั้นต้องเจอกับคนนี้เราทากับเขาได้เราก็ได้บุญเราได้เราได้ความรู้สึกที่ดีจากเขา วันข้างหน้าเขาอาจจะคิดถึงเราเวลาเราเดือดร้อนต้องคิดได้ยากเขาก็มาช่วยเหลือเราได้เหมือนกันเพราเราอยากไปมองข้ามสิ่งเล็ก น, น, น, น, น้อยที่ใกล้ตัวเราเราสามารถให้เราสามารถทำเงินได้กับคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เราเกลียดเนี่ยทำให้ได้ทำได้แล้วจะได้เงินมากขึ้น <c oughs> <c oughs> คนที่เราลักมันง่ายทำง่าย แต่คนที่เราเกลียดเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยนี่แหละคือบุญนันใหญ่โตก็คือทําบุญกับคนที่เ้าเกลียดเราเราเกลียดเขาเนี่ยเพ้าะเราทำได้เราเราจะระ ง, งับความเกลียดความโกรธได้ระ ง, งับความทุกข์ได้แล้วต่อไปเราจะไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเขาแต่เรามองเห็นหน้าเขาแล้ว เ, เราก็มีความเมตตากขึ้นมีความสงสารเกิดขึ้น บางทีถามว่าทําบุญที่นี้ไหนได้บุญเยอะๆป่านนี้ยทำบุนอะไรที่มันหนักกุบหนักใจเราที่มันยากที่สุดะอันนั้น่แหละจะได้บุญมากที่สุดบุญที่แท้าจริงมันอยู่ในใจเราคือการปลดเครื้องความหนักอกหนักใจที่มีอยู่ในใจเราให้มันออกไปนี่แะคือบุญที่แท้จริงท่านถึงสอให้ทําบุญตักอก็เลยปิดทองหลังพระ่ย คนใหญ่เราชอบติดท้าหน้าพระชอบทำบุญกับคนที่เราชอบเรารักเราเคารพแต่คนที่เราไม่รักไม่ชอบนี่ถึงแม้ก็จะดีขนาดไหนเราก็ไม่ทำกับเขาเออไดนไหมก็ต้องให้อภัยเ่ ต, ต้องให้อภัยของอภัยทานต้องเข้าใจว่าอันนี้เขายังมืดบอดอยู่เขายังหลงอยู่ต้องอย่างนี่ก็เป็นทุกข์ไงเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทำอย่าทําด้วยความอยากทําทด้วยเหตุด้วยผลเจอรู้ว่าเป็นของดีก็อยากจะให้อยากจะมอบให้กับเขาก็ทําไปเท่านั้นแต่อย่าไปเกินถึงกับทําให้เราต้องทุกข์ใจ ความทุกข์ใจนี่แสดงว่ามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลแล้วมันเป็นอารมณ์แล้วอยากจะเอาชนะให้ได้อยากอย่างนี้แล้วจะต้องได้ดังความอยากถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอยากทางสมุทัยเป็นสมุทัยแต่ถ้าอยากให้คนเขาได้หยุดได้ดีนี่เป็นมั่งนะความอยากนี่อย่างอยากปฏิบัติธรรมอย่างนี้ยมีคนชอบพูดเรืยอว่าก็เป็นความอยากเหมือนกันได้แต่มันเป็นเป็นความอยากที่ดีที่ทําให้เกิดประโยชน์ การอยากออกบวชอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอการอยากจะฆ่ากิเลเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้บอกกรรมตรงไหนถึงแม้จะมีคําว่าฆ่าอยู่ในสามไปฆ่ากิเลนี้ฆ่าไปเถิดฆ่าเท่าหลยไม่บาปได้บุญเยอะแยะเลยถ้าอยากจะฆ่าอลไรก็ฆ่ากิเลนี่นะเวลาโกนมากๆอยากจะฆ่าใครก็บอกก็ฆ่ากิเลนของเรานี่แหละฆ่าตัวโกนนี่แหละฆ่าตัวนี้แล้วมันทุกอย่างก็จบ ถ <c oughs> ้าค่าคนเหลือแล้วตายเขาตายแล้วก็ตายมือไงเราก็เราไปติดทุกติดตารางวุ่นวายไนหมดแต่ถ้าข่าตัวโกรธตัวนี้ตัวเดียวตัวอย่างนะครับหมดสันติปรากฏยุติธรรมทํายุติธรรมปรากฏมันยุติไงมันจบคำ ว, ว่ายุติก็คือจบเนี่ยความยุติธรรมที่แท้จริงก็คือฆ่าความโกรฆ่าความน้อย อ, อกน้อยใจ ที่เราคิดว่าถูกครับเอาลัเอาเปรียบไม่ยุติธรรมเราท่าตัวความรู้สึกตอนนี้ให้มันหมกไปคิดแต่ว่ามันเป็นเคราะห์กรรมของเราก็แล้วกันเกิดมาอยู่ในโลกมันจะต้องประสบกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาบางวันก็มีผลมีบางวันก็มีบาอใช่ไหมมันก็บาปเดียวกันชีวิตของเราก็มีขึ้นมีลงมีได้มีเสีย เวลาเจอกับสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามให้อภัยไนวะ้ทําใจให้กวา้างๆพยายามฆ่าไอตัวความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจของเราด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วหลับดับได้หมดความน้อย อ, อกน้อยใจความเสีย อ, อกเสียใจความโกรธแค้นกดเคืองอะไรต่างๆนี้นความรู้สึกว่าถูกเขาเอารัดเอาเปรียบอะไร น, ะนั้นมันก็หมดไปเลยเพราะสิ่งที่ก็ได้ไปมันสิ่งที่ไร้าสาระทั้งนั้นเนี่ยแเมื่อเขาเอาเงินมาก โกงเงินเราไปอย่เ ง, งี้ยเงินก็ไม่มีก็ไม่ก็หมดปัญหาไปาแล้วมีเราก็ต้องเอาไปทําบุญทำทานเอาไปแจกคนอื่นอยู่ดีเงี่ยถ้าเอาไปก็เราก็หมดภาระไปบางคนทำบุญทําทานบปงคร้งมันติดพอหมดเงินก็ต้องมีไปหาเงินมาทําทานต่อควาจริงและการทําทานก็เพียงแต่เพื่อปลดเปลื้องไอ้ภาระที่มันกดดันจิตใจของเรามันทองที่เราจะต้องคอยดูแลรักษา หรือความยึดติดอยู่กับเงินทองเหล่านั้นให้มันหลุดลอยออกไปจากจิตใจของเราแคนั้นเองเมื่อมันหมดไปแล้วก็อย่าไปหามามามามาแบบอีกโอ้ยหมดเงินทําบุญเราต้องไปหาเงินมาทําบุญต่อใช่ใช่หมดหมดแล้วก็เกจบก็รักษาศีลต่อไปภาวนาต่อไปเอมันเรียนหนัสือต้องขึ้นชั้นเลยยัอยู่แต่อตอนหนึ่งอยู่แน่นอน อยากเป็นชายก็เปนดีก็ดีเขาเป็นมรรคไงก็เป็นมรรคเป็นฉันทะฉันทะวิริยะจิตตะมีมังสาเป็นอธิบายสิความยินดีต่อการปฏิบัติเพื่อมรรคของิู้ายก็คือฉันทะเมื่อมีความยินดีแล้วก็มีวิริยะที่จะมันทำทำเหตุที่จะทําให้เราไปสู่จุดนั้นก็เป็นวิริยะจิตตะก็ใจเราก็จะจดจ่ออยู่กับนเรื่องเหล่านี้ เรื่องทำบุญเรื่องทาำทานเรื่องรักษาศีลเรื่องกบิกาธรรมเรื่องเข้าวัดเข้าว่าการที่จะไปจดจ่อกับเรื่องไปเที่ยวไปงานนู่นงานนี้ไปซื้อเสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้อะไรก็จะถูกเบี่ยงเบนเต้าไปถ้าไปสนใจกับเรื่องงานนั้นน่ะเรี่องก็เป็นสมุทไทยสนใจกับเรื่องไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสุขทางโลกอย่างนั้นน่ะมันเป็นสมุทไทยไม่ใช่จุนมา จิตใจเราต้องจดจ่ออยู่กับธรรมะอยู่กับบุญกับกุศล <c oughs> แล้วเราเราก็ต้องใช้ปัญญาด้วยว่าคือวิมังสามีทิบาทีมีจิตตะมีฉันทาวิริยะจิตถะวิมังสาไม่ได้ทําแบบดุ่ยๆลงไปพลุยไปเช่นอย่างที่เมื่อกี้ไล่ท่านว่าพอเงินหมดก็ต้องรีบไปหาเงินมาทําทานต่ออันนี้ไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วไม่ได้ใช้วิมังสา มอวามีความบุกว่าวันนี้ท่านจยังไม่ได้ดือคยานี่คำกลางๆความจริงแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ความอยากมาในทาง ทางที่เป็นสมุทัยเพราะสัญนใหญ่เราจะไปทางนั้นกันทางนั้นอยากกินเหล้าอยากเที่ยวอยากดื่มอยากมีอานาจบาปอยากอยากรอบอยากรวยนี่มันเป็นสมไทยทางนั้นแต่อยากอยากปฏิบัติธรรมอยากทําบุญอยากรักษาสีนี่มันมันเป็นธรรมะมันคําว่ากรรมกรรมมันเป็นคำกลางใช่ไหมกรรมคือการกระทําทางกายวาจาใจวจีกรรมมนุกรรมกายกรรมมันไม่ได้บอกว่าบาปให้บุญ แต่เราภาษาไทยเราใช้คําว่ากรรมเป็นทางคําว่าบาปไปเลยไทยทํากรรมมาหนักมั้งเนี่ยถึงจะกรรมดีมั้งาพิ่งจะแคปเลอร์เลอร์สักพักอาจารย์แทรกเรื่องว่าขณะที่กิจจะออกไปว่างเนี่ยนะคะตอนนี้มุขสติในช่วงนั้นเนี่ยพลาดไปวินาทีนึ่งเนี่ยอย่าไปฆ่าอย่าไปฆ่าปฏิบัติไปไม่ไม่ปฏิบัติไปให้มันอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันมีสติมีปัญญาแล้วมันมันไม่มีปัญหาอะไรั อย่าไปคาดถ้ายังไม่รู้อย่าไปคาดปฏิบัติไปดีกัติเพราะมันของที้มันคาดไม่ได้เพราเวลามันถึงจุดวิกฤตแล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนอัปโนมัติหมดเหมือนกันนักมวยที่ซ้อมดีขนาดไหนก็จางพอขึ้นเวทีแล้วอาจารย์โค้ชอะไรเพื่อนทั้งหลายช่วยกันไม่ได้นะละเชียกันขนาดไหนก็พอมันโดนโดนโดนยับซะมันงงแล้วมันก็ไม่รู้จะทำไงล่ะพยายามพยายามพยายามเกไว้ให้ดีไว้ท่านเอง พยายามมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาพยายามมีปัญญาเตือนสติเสมอว่าเรื่องความตาเนี้เป็นเรื่องธรรมดามัเท่านั้นอ่ะมันจะรักษาจิตให้นิ่งให้สงบได้ถ้ามันวาดบอกจากจคนนี้ตปไปมันจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีพ <c oughs> อวุ่นวายแล้วมันก็จะทึบกึ้นมมันจะเสียหลักเนี่กับถูกถูกเขา <c oughs> เขาแยบเอาจนกระทั่งงงเป็นไก่ตาแตกเลยนั่นจึงต้องฝึกสติอยู่เสมอ เราจะเรียนมานานต้องสติอยู่เนื้อมีกู่คับตัวตลอดเวลานี่ที่เราฝึกสติไว้ตลอดเวลาถ้าเกิดสติเกิดแล้วเนี่ยนะคความกังวลที่ว่าวินาทีที่จะตายนี่มันน่าจะหมดไปก็ต้องไปพิสูจน์ดูไงมันน่าไม่ได้ต้องไปพิสูจน์ลยครูบาอาจารย์ถ้านื่อไปนั่งสมาธิอยู่ที่ข้างเสือเดินทางทางเสือเดินทางไปไหนมีเสือมีหนีมีถัดหลุดร้ายมีอะไรที่น่ากลัวนะต้องไปที่ตรงนั้น เพราที่ตรงนั้นมันเป็นที่เป็นเหมือนกับเวทีขึ้นขึ้นเวทีขณะนี้เราคุยกันนี้เราเดินจมกรมอยู่ในบ้านอยู่ในวัดนี่เป็นการฝึกซ้อมต่อยกระสอบใจอยู่ในค่ายอยู่กับครูอาจารย์ต้อมออกไปไปเจอกับที่ตรงไหนที่เรากลัวเราต้องไปตรงนั้นเราดูว่าเราจะสามารถควบคุมสติเราได้เป็นปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าถ้าทำได้ก็กตผ่า น, นอ้อมสบาย อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปได้ไม่ว่าจะเวลาไหนจะไม่มีข้อข้อแม้อะไรที่อยเลยสำหรับคนที่ผ่านผ่านเรื่องความตายเขาได้แล้ว ใช่เวลาตายท่านก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนก็ตายได้ที่ปลอดภัยที่สุดก็ตายได้ที่ลำไหนนี่ก็เฉี่ยมันก็ตายได้คือมันก็มันก็มีมันก็มีส่วนถ้าเรานั่งนั่งรถกับคนที่เมาเหล้ากับคนที่ไม่เมาเหล้าอ่ะขับเนี่ย คนที่คนขับที่เมาเล้าโอกาสที่มันจะไปพลิกคว่ำมันก็มีมากกว่าใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะคว่ำนะบางทีไอ้คนเมาเล้ามันก็ไม่คว่ำแต่อีคนอีคนที่ไม่เมาเล้ากลับคว่ำแทนก็มีเพราะมันไม่ได้มีแต่มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นบางทีเรามันระวังสุดเต็มที่แล้วแต่มันก็ไปเจอเรื่องสุดวิสัยขึ้นมาลบมันเกิดเสียเกิดบังคับควบคุมไม่ได้ในในจุดที่วิกฤตที่สำคัญเนี้ยมันก็เป็นได้ ฉะน้นท่านว่าอย่าไปกังวลเรื่องเรื่องเวลาตายริสถานที่ตายเลยถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ตายมันก็ยังไม่ถึงที่ตายถ้ามันตายมันก็ถึงที่ก็ก็ท่านเลือกได้ก็ควรจะเลือกบ้างอย่างนี้ท่านจะเหล่าปู่จะต้องคืัดูือปัจจัยเสียงขอให้มันน้อยที่สุดนะดีความไม่สมหวับความไม่สมหวังแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้ก็ต้องไปแล้วล่ะ ก็ก็จะลงชีพเดียววัดดวงกันลี่ก็ต้องอาศัยการวัดดวงที่ว่าถ้าดวงเราแข็งมันจะเสี่ยงขนาดนั้นมันก็ไม่ตายไอคนบางคนมาปีนตึกสูงๆด้วยตัวของมันคนเดียวไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมันก็ไม่ตกมาตายไอคนที่ไอคนที่ยินดีกับกระโดดตึกตายมีต้องเยอะแยะไปเวลาถึงขาวตายมันมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน แต่โดยหลักทั่วๆไปก็คืออย่าไปประมาทอย่าไปเสี่ยงกับอะไรที่มันไม่จำเป็นจะต้องเสีย่ยงน้ <c oughs> แต่ถ้ามันไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องขึ้นเครื่องนี้ก็ไปเถอะอาจะถือการจะถือว่าเป็น <c oughs> เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นโอกาสที่เราจะได้เจริญมรณานิสติกนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กาจารถูกกับพันหนึ่งฮะเขาเอาเรื่องาคารเป็นงตัดสินนะฮะให้ร้อยแล้วให้สละให้ ส, ะห ส, ะห ส, ะสละเพื่อรักษาชีวิตเหรอเห็นไ่มไปทำบุ ญ, <laughs> บญ <laughs> เกรงว่าจะไม่ได้ทำนะฮะการจ่ายเงินจ่ายเสี ย, ยเยงินแพงหน่อยก็เป็นการทำบุญไงรักษาชีวิตเราทำใจได้ยากกว่าเพราะชีวิตเรามีค่ากว่าเงินพันหนึ่ง คือการจ่ายเงินมากนี่ทําใจได้ยากกว่าการจ่ายเงินน้อยนะแกันั่นก็เลยไป็นก็เห็นว่าความโลภความโกรธกิเลสมันมากเป็นไงเงี้ยถ้าก็ค่ากิเลสมันแรงกว่าธรรมะเหตุผลมันก็จะมันก็จะเสียดายเงแต่ถ้าเหตุผลมันมันแรงกว่ามีอํานาจมากกว่ามันก็จะไม่เสียดายเงแล้วบางคนนี่ไม่เสียดายเงินก้อนใหญ่ใหแต่บางทีมามาเก่งกันเงินยี่สิบาทสามสิบบาท บางคนเนี่เขาจเอาโอนเงินไปไปถวายไปทําบุญเนี่ยเป็นร้านแต่ไปเกิ่ยงไอ้ค่าอามเนียมขอผูจัดการลดให้หน่อยได้ไหมะายลดรเนียมขอลดค่าเงียมพราะกิเลสมันติดนิสัยพยายามพยายามแต่ถ้าถ้าเรื่องทําบุญนี่ถ้าหล่เท่ากันยอมเสียเพราะเชื่อมีศรัทธาในบุญน เส to, god, god, god, god. So, okay. <S <s ียท so, okay. ่าไหลายก็ได้ได้บุญเท่านั้นแต่ถ้าเสียค้าธรรมเนียมนี่ไม่ยอมเสียแต่ถ้ามีเห็นนี้ผลแล้วมันคนเขาไม่เสียดายหรอกค่าธรรมเนียมถ้าจะเสียเสียร้านหนึ่งแล้วกับเสียค่าธรรมเนียมอีกพันสองพันเงาไปเถอะก็เป็นทำบุญเหมือนกันไปคิดว่านะไหมหมดเรื่องนี่ยอมส่นใหญ่ที่ทำบุญนี่ส่วนใหญ่ใช่หลักว่ายึดถือว่าตรงไหนที่เป็นเนื้อนาบุญจะเอาตรงนั้นเป็นหลักเหมือนกัน คือก็ดีอ่ะเพราะเนเราบุญก็ช่วยเราได้ไม่ใช่หยุดที่บุญที่เราทำกับท่านแต่อยู่ที่ท่านให้กับเราท่านให้ธรรมะกับเราเราได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยเป็นการได้ได้บุญอีกระดับหนึ่งคือได้ปัญญาถึงต้องไปทําบุญกับเนื้อเราบุญเี่ยไปทําบุญบ้านคนชราก็ได้ได้บุญเหมือนกันในเรื่องการเสียสละวัตถุเท่ากันแต่แต่คนคนชราก็ไม่สามารถที่จะให้ธรรมะอะไรกับเราได้ แต่มากเขาก็ยกมือไหว้ขอบอกขอบใจเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปทําคนกับคนชลาอย่างครูบาอาจารย์มันเป็นท่าอริยสงฆ์เนี่ยทําบุญให้เสร็จแล้วท่านก็ยังพูดธรรมะสอนเราอีกเราได้ตรงนั้นมากกว่า ท, ที่ต่างคำสารคติทั้งนั้นแต่บุญที่เกิดจากการให้สิ่งของนั้นเท่ากันเจียตละเท่ากันเสียร้อยบาทเท่ากันสมมตินระ้อยบาทให้กับค น, คนแจกที่อยู่บ้านคฉกลา ขับเสียให้ร้อยบาทให้คนแก่ที่เป็นพระอริยสงฆ์มันต่างกันพ่ดีไม่ดีท่าไหนจะพูดเลยทําให้เราเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้อาจจะช่วยดับความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เรามีอยู่ในจิตในใจของเราก็ได้ <c oughs> ความทุกข์นี่มันเหมือนเชื้อโรคมันเหมือนโรคชนิดหนึ่ง น, นะเวลาความทุกข์นี่กินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นวายใจเนี่ยมันมันยืมกลับเป็นเป็นไข้หวัดใหญ่หที่จริงมันทํรมานจิตใจ ใครที่ใครมาที่เราก็ปล่อยวางไปที่เท่นั้นเองพอปล่อยได้นะี่โอ้หายปักเลยเน <c oughs> ี้อเส้นที่สิ่งที่เราจะได้จากเนื้ อ, น, อนาวดีท่านเก่งทางด้านดับทุกข์เนี่ยศาสนาพุทนี้พุทเจ้าอกสอนอยู่สองเรื่องเท่านั้นเองคือ ท, ทุกข์กับวิธีดับทุกข์ธรรมะ <c oughs> ของพุทเจ้ามีอยู่มากน้อยเพียงไรในพระไตรปิฎกหรือในที่พุทเจ้าทรงสั่งสองนเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องทุกข์กับเรื่องวิธีดับทุกข์นะ นี่คือสิ่งที่เราจะได้จากเงืนเ่น่าบุญเพราะไม่มีอะไรเป็นปัญหาสำหรับพวกเรานอกจากความทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญหาปัญหาตัวเดียวก็คือความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความหลงพาให้เราอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากทำพอท่านสอนว่าตัวนี้เสี ย, ยอยากประยากมันเลยใครก็จะทำอะไร เราไม่อยากให้เขาทำเราก็ต้องหักข้ามจิตใจของเรายอมให้เขาทาไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ถึด <c oughs> นี่คือเหตุผลที่คนไปทําบุญกับพระอริยะเสวยคือจะได้จะได้ธรรมะคนที่ทําบุญกับพระุทธเจ้าบางทีฟังท่านเทศทเพียงคนเดียวก็หลุดพ้นเลยมีเยอะแยะไปในสมัยพุทธกาล <c oughs> แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะทํากับผู้อื่นเพราะผู้อื่นเขาก็รอบุญจากเราเหมือนกันคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็รอ้ามีของเราก็รอบุญจากเรานนะี่ไหมเราก็รอบุญจากสามีคือการให้อาภัยก็เป็นการให้เวลาเขาทาอะไรที่เราไม่พอพอใจเราก็อยากไปปลุกเขาให้อาภัยเขาเพราะเขาเองเป็นมนุษย์บุตรชนธรรมดายังมีกิเลสครอบงำจิตใจยอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องทําไปบ้าง ถ rifle, changer, him, like jeune, Android, ้าเราให้อภัยแล้วเรื่องหลักเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวดีไม่ดีก็ต้องแตกแยกอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะการไม่ให้อภัยนั่นเองถ้าให้อภัยได้แล้วรับรองได้อยู่กันไปตลอดได้จนถึงตลอดน่าต่อจนกาะทั่งตายจากํานไปได้คนเราต้องมองว่าคนเราทุกคนมีทั้งดส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีคู่เข้ากันไป บางเวลาส่วนที่ไม่ดีมันออกมามันก็เหมือนกับไปจบไอความดีทั้งหมดเลยเราจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยะว่าอันนี้มันเป็นส่วนไม่ดีของเขาแต่ส่วนที่ดีของเขาก็มีอยู่เยอะแยะงั้นเราจะไปแต่งงานกับเขาได้ยังไงใช่ไหมเราต้องพยายามใช้สติใช้ปัญญาแยกแยะเอาแ ล, แล้วเราก็จะให้อภัยได้แต่ถ้าเราจะให้อภัยแบบผืนๆให้อภยัยมันให้ไม่ได้หรอกต้องมีเหตุมีผลเราต้องระลึลกถึงความดีของเขา เราเราก็จะให้อภัยก็ได้แล้เราต้องรลึกถึงความชั่วของเราบ้างเวลาเราทำผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็อยากให้คนอื่นเ้าให้อภัยเราบ้าง Anything you want to say? No, no, okay. Did you understand what I said? Um, d o n o k o questions. อาจารย์เล่นถามเร่องอะา ความเดของของชินน่ากับสัมมาอาชีพเนี่ยนะถ้าทำร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออาหารจ่ายตลาดเองนี้ะคะแล้วบางทีมันก็จะต้องซื้อปลาสบรืปลาแช่มาเพื่อันนี้อันนี้คือคันเป็นในสกถ้าพี่พูดตรงไปตรงมาก็ไม่ควรจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ ถ้าซื้อก็ซื้อของที่ตายมาแล้วจะดีที่สุดถึงแม้เราจะให้คนอื่นไปซื้อมันก็เป็นเงินของเราในทางโลกเขาก็ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่สั่งให้เขาทาก็ดีทําด้วยตนเองก็ดีก็เป็นความผิดเหมือนกันเพราะมีมีเจตนาร่วมที่จะทําความผิดนั่นแต่ถ้าเราสมมเกตว่าเราเร า, เราศึกษาธรรมะแล้วเราเริ่มเห็นว่าอาชีพที่เราทําอยู่นี้มันไม่เพ่เป็นสา ม, มานย์ทีพเราก็ต้องเริ่มเบี่ยงเบนละเราต้องเริ่มหาทางผลเปลี่ยนอาชีพนี้ละ อาชีพใหม่ทาแล้วไปเสียดายกับเงินทองเล็กๆ น, น, น, น้อยๆเงินทองมันไม่มีคุณค่าเท่ากับธรรมะไม่มีคุณค่าเท่ากับบุญก็เราทําฐานเงินมาแล้วก็เพื่อเอาเงินนี้ไปแลกเป็นบุญอยู่ดีใช่ไหมแต่ตอนนั้นเมื่อเราสามารถแลกบุญได้โดยที่ไม่ต้องเสียไม่ต้องมีเงินทําไมเราไม่แลกเสียก็เปลี่ยนอาชีพมันเสียไปเหมือนเดียวก็ว่าอาชีพถ้าขายเหล้ารู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ไม่ต้องขายเหล้าแล้วขายแต่ข้าวอย่างเดียว อาหารก็ไปซื้อของที่เขาตายของที่มันตายอยู่แล้วก็มีขายอยู่เราซื้อของตายมาัำท่านไม่ต้องเกี่ยวข้องในด้านที่ต้องไปถือของคือถ้าเราได้รับประโยชน์จากจากจากมันแล้วก็ก็เหมือนกันอนี่ยาอย่างนั้นพระอาจารย์คนที่เป็นพวกภักสาวนี่จะ ในทางโลกในทางโลกเขาเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปตามหน้าที่เชี้ถูกชี้ถูกแค่นั้นเองโทษนั้นมันไม่ได้เป็นตัวที่เขาเป็นคนชี้เขาคี้ว่าผิดหรือถูกแล้วแล้วคดีมันมันมีกําหนดบังคับไว้ว่าเมื่อผิดผิดโทษแบบนี้ก็ต้องถูกประหารนมันไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนที่ไปไปสั่งฆ่าคนที่ทําผิดนั้นเขาสั่งฆ่าตัวเขาเองด้วยการกระทําของเขา ผู้ที่กระแสดึงแต่มาชี้ผิดชี้ถูกนั่นคืเจ้าชี้ปรลาชิตของท่าโศน์อันนี้เธอทําผิดปรลาชิตเธอจะต้องเธอจะต้องหมดสิ้นจากสภาพของความเป็นพระไปพระอุตจ้าก็ไม่ได้โหดร้ายทารินอะไรแต่การกระทําของเขาต่างหากที่ทําให้เขาต้องหสิน้นสภาพจากความเป็นพระไปมาควาว่าผู้รักษาต้องปฏิบัติตามเนื้อผ้าตามความเป็นจริงกันเลยแต่แต่ถ้าไปไปพิจารณาแบบผิดเป็นถูกก็ถูกเป็นผิดนั่นแหละถึงจะบา เพระฉะ้นเือความจริงถ้าก็ให้คําเที่ยงธรรมมันก็อยูไปตามนั้นด้วยนะให้ความเที่ยงธรรมไปแต่อย่างที่ชัดเจนไ่ต้องพิจารณก็พิดเพราะว่าเหมือนกับชาวเหมือนกับชาวประมงบรรดาชีพเนี่ยชาวประมงนี่เขาไปจับปลาเขาก็ฆ่าปลามาเพื่อที่จะมมีรายได้จากการฆ่าปลาเกษตรกรเขาก็ได้รายได้จากการฆ่าคน ถึงแม้คนนั้นเขาจะถูกบังคับให้ให้ถูกลงโทษถึงการถูกประหารชีวิตแต่คนที่ทำนั้นก็ยังผิดอยู่เพราะยังฆ่าผู้อื่นอยู่ผมว่าจำให้ไปอ่าอยู่แน่นอนนะเนี่ยมีรู้ว่ารายการ สงต้องไปต้องไีดูที่ร้าฝันก็สั่งเขามันก็ต้องมันก็มีส่วนเราสั่งมาเราไปดูถกมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราเป็นคนมีสินมีธรรมล้วก็ลาออกจย่งราชการหลวงพ่อค่ะคือรูปทำโฆษนาคะต้องซื้อสีพัฒนาทำอาหารพลวก็ซีพีอ่ะ ขายไก่ขายเป็ดเ่อวันี้ฮะแล้วก็โฆษณาเล่าด้วยอะไอย่างนี้ช็อตผิดยการโฆษณามันก็ไม่ได้มันมันเรายังไม่ได้ถึงกับท่านกับท่านลงมือกระทำเองถ้า <T _ T> ว, ว่าผิดโดยตรงก็คงไม่เียอาจจะผิดโดยการที่มีมี<_ <T> _>ส่วนช่วยส่งเสริมช่วยส่ช่วยส่งเสริมแต่ไม <T _ T> ่ได้เป็นเป็นเป็น เป็นความผิดโดยตรงน้มีคถามเรื่องถาบอกว่าถ้าเราปานหารแล้วมันขเป็นๆะนะก็ไู้ว่าตัวนี้เรว่าเราาท่างือาเ่า ยังไงๆเขาจะต้องเอาไอ้ตัวนั่นอยู่ในในตู้นั่นมาให้เราถ้าเราไม่อยากจะผิดนิสแล้วก็บอกเขาเอาของที่ตายแล้วนะ อ, อย่าเอาของที่มันเป็นถ้าไม่มีก็เอาแต่ผักผักมาก็แล้ว ก, กัน <c oughs> อ่าถ้าเราอยากจะรักษาศีลก็ต้องก็ง ต, ง ต, งต้องเป็นอย่างนั้นใช่ถ้าเรายังถ้าเรายังติดในรสชาติอยู่เราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ที่มันก็หลอกตัวเราเอง ถ้าได้ค่ะที่เราสอนสอนหนังสืออยู่นะคะแล้วก็สอนในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยค่ะทีนี้ในเรื่องของการทำการรณรงค์ทางด้านประชาสัมพัน์หรือข้อเสนก็ตามี่คือบางทีเนี่ยแล้วก็จะค่อนข้างที่จะ มันเป็นสีเท่าๆกันนะคะในการที่พยายามที่จะบอกข้อความหรือตัวนันแสะให้มันน่าเรียนที่สุดที่จะเข้าให้เขาเชื่อถือเรามากที่สุดกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะทีนี้มันก็เหมือนเราเล่นเกมเด็กๆกันเหมือนกันคือคือวัยวันสอนสิทก็จะนึกถึงว่ามันมันจะมีสีเท่าๆคือเรายิ่งยิ่งสอนให้มักแตะมันแน่าเรียนเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนกับเราเหมือนกับเข้าไป พักเงินในกระเป๋าขเขาแล้วบางทีก็เราก็ไม่ได้พูดความจริงบาทีก็ทุ่มเถ้าไม่พูดความจริงมันก็มันก็เป็นมุสา <laughs> แล้วถ้าเราไปไประยุยงให้กิเลสเขาเกิดใค่เกิดความโลภอยากจะซื้อของนี่มันก็เป็นการส่งเสริมกิเลสมันก็ไม่ดีทั้งสองอยเี <laughs> อย่างได้ไห<ป>ม ذا, <S <s <S ถ, <S <s ถ้าเราอยากจะถ้าเราอยากจะบราธรรมะเก็อย่าไปทางานแบบนี้ก็แล้วกันคือคือตอนนี้ที่หนูได้ค่ะหนูจะาม้เคือท่าที่หทได้นะคะก็ูจะพยายามที่จะอ่าแบบคือเด็กที่หนูผ่านคือที่จะเป็นสี่ทีทนทาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาพีาร์หว ก็คือจะพยายามพยายามบอกว่าก็คือท่านเขาท่านเดูเท่าทันคือม้กทังตัวตัวอืเองก็ยังถูกสื่อหอกด้วยดยายาะยกแตัวอย่างให้เขาเห็นในการการรั้ให้ตนใเอาวค่ะแล้วตรงไหนที่ดีที่สุดแต่ก็ค่อนข้างยากในโลกของธุรกิจนะคะที่เอกวาคือในชิงธกิเนี่ยความ กระสอบพันธุ์แต่ที่ทำกำไรสูงสุดถ้าถ้าเราต้องการวางเป้าอยู่ที่ผลกําไรมันก็ต้องไปทางสีเทา่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ถือเป้าของตายได้เป็นหลักเราถือความถูกต้องเป็นหลักมันก็จะยืนอยู่บนสีขาวได้อยู่ที่เราต้องเลือกเปาถ้าเราถ้าเราเลือกได้ถ้าเราเลือกไม่ได้เราจะคุกกับสีเทาไป เราก็ต้องรับวิบากของการกระทำของเราเพราะฉะั้นจริงๆแล้วเี่อาชีพก็มีสิทธิ์ที่จะทำบุญและทำบาปได้ใช่ <c oughs> อยู่ที่ว่าเรามีความรู้ทางด้านธรรมะมากน้อยเท่าไหร่ถ้ามีความรู้ทางด้านธรรมะน้อยอํนนานาจของความหลงมันก็จะจุดลากให้เราไปทางทางสีขาวมากขึ้น <c oughs> แต่ถ้าเรามีความรู้ทางธรรมะมา ก, ม, ากมันก็จะจุดลากให้เราไปทางสีขาวเพราเราจะไม่ <c oughs> <c oughs> เราจะไม่ถือเรื่องรายได้เป็นหลักเราจะต้องถือความถูกเรื่องของความถูกต้องเรื่องของความสะอาดทางด้านศิลธรรมเป็นหลักจะทําได้อาจจะช้ารวยรวยช้าหน่อยเรืออาจจะไม่รวยเลยแต่มีบุญมีมีความสุขทางด้านจิตใจหรือจะไปทางสีเทาแล้วมีเงินเยอะแต่หาความสุขไม่เจอมีสมบัติมีรถเก๋งคันละล้านสองล้านมีบ้านลหลังละสิบล้าน แต่ไม่มีความสุดในจิตใจเลยมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถไปได้มี่คนส่วนใหญ่ที่เขาไปทางสีเทากันเพราะเขาไม่เคยเข้าหาธรรมะแต่เขาก็เลยไม่รู้เขาเลยถือว่าทุกอย่างแปลงหมดทุกอย่างยุติธรรมหมเขาให้ทำแล้วกาไรเท่านั้นถือว่าใช้ได้แล้วกฎหมายเขาไม่เขาไม่ไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่าใช้ได้แต่กฎหมายนี่มันยากกว่าศีลธรรมถ้าเป็นตะข กฎหมายนี่มันเป็ น, ปนกฎเป็นตะข่ายที่ลูใหญ่มีช่องโหว่เยอะแต่ถ้าเป็นศีลธรรมนี่มันจะละเอียดกว่า <c oughs> นั้นก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาอะไรคนส่วนใหญ่เขาก็จะเอาทางทางเงินทองกันเขาก็ไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมแต่ถ้าคนที่ได้รู้จักศีลธรรมแล้วเขาก็จะยึดทางด้าศีลธรรม อย่างย ก, ย, ก ย, กยกตัวอย่างที่วันนี้เราทุกวันนี้เราเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีระหว่างคนที่มีศีลธรรมกับคนที่ไม่มีศิลธรรมกำลังต่อสู้กันอยู่ <S <S ใช่ไหมนี่ก็เห็นอยู่ชัดๆนะแต่คนที่เน้นทางด้านศีลธรรมแล้วจะไม่สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองนี่กับผู้อื่นแต่คนที่ไม่เน้นศีลธรรม้ว จะมีแต่ความวุ่นวายทั้งตัวเองและกับผู้อื่นแต่ผลนั้นก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่ทุกอย่นี่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะมากขึ้นและเห็นคุณค่าของธรรมะมากขึ้นเราก็จะมาทางธรรมะเราจะมาทางศื่อธรรมแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเราเห็นคุณค่าของเงินเงินทองมากกว่าเราก็จะไปทาง ที่เลิดจร่านักยนะครคือัคิดว่าที่้ีที่ได้ทวันแต่วตงมาความรู้สกาิงจรร้ยมมันเขามีทางนใช่คือความรู้มันมีทั้งความรู้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และความรู้ที่เป็นโทษเป็นเหมือนมีเนี้ยมีดนี่ก็เป็นดาบสองคมดาบมีสองสามารถใช้ได้ทั้งประโยชน์และใช้ใช้ที่ให้เกิดโทษก็ได้เรามา ตัดเนื้อตัดผักหันผักนี่ก็เป็นประโยชน์เอาไปเอาไปเอาไปตัดเนื้ตัดแขนคนอื่นก็เป็นเป็นโทษความรู้ก็เหมือนกันความรู้ที่จะความรู้อยู่ที่เราจะเอาไปใช้ในทางนั้นเอาเป็นเป็นเครื่องมือของกิเลสก็เป็นโทษเอาไปเป็นเครื่องมือของธรรมะก็เป็นคุณก็สื่อบังสือเขาทำเขาเขาโฆษณาธรรมะถ้าคุณเห็นแล้วอยากจะเข้าวัดเลย ขึ้นบ่ายมันเริ่มเทิมอยู่ตามริมถนนเนี่ยใครเห็นแล้วโอดที่อยากจะเข้าวัดไม่ได้เพียงแต่ว่าทางศาสนาเราไม่ค่อยเน้นทางด้านแบบนี้กันเราไม่ต้องการที่จะดึงคนเข้ามาด้วยด้วยเอของล่อของหลอกเราอยากจะให้เข้ามาสัมผัสกับของจริงดีกว่า แล้วอาศัยคนที่ได้สัมผัสกับของจริงนี้เป็นคนช่วยไปถอยแท่ก็คนะืออย่างที่พระพุทธเจ้าตอนที่เผยแผ่ธรรมะครั้งแรกก็เน้นไปคนที่สามารถรับถ่ายทอดธรรมะได้ก่อนก็คือพระปัญจ ว, วัคคีเพราะสอนทีเดียวแล้วก็บรรลุเป็นพระโัดาวันลนะสอนอีกสองครั้งสามครั้งก็บรรลุเป็นพระอรหรนะันต์ละไม่ต้องเหนื่อยยากแล้วก็อาสายพวกนี้เป็นสื่อเป็นผู้ไปไปโฆษณาต่อย์ที ท่านห้าองค์ท่านก็นกระจายไปคนละห้าห้าทางก็ไปเจอใครที่ไหนก็สอนก็แบบเดียวกับที่พระเจ้าสอนพวกนั้นได้ยินได้ฟังก็ก็บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาก็ช่วยกันขยายกันไปนี้ลศาษณะในสมัยพุทธกาลจรึงปรากฏมีพระอรหันต์เป็นมากมาย ก, ก่ายกองโดยที่ไม่ต้องมีสืส่อโฆษณาไม่ต้องมีสืส่อโฆษณาการโฆษณาแบบนัน้นเป็นการค่อนข้างที่จะไม่เป็นธรรมชาติ โอกจานี้นั้นการว่าาาสิ่งที่สุทธิ์เลยก็ยากมากเลยนะโยมยากสำหรับคนที่ที่ยังบกมุ่นอยู่กับเรื่องโลคโกรธหลยอย่างง่ายสำหรับคนที่ไม่ไม่หมกมุ่นกันเรื่องราบด้วยการรักษสิ่ถ้าอยากจะได้เงินมากๆนี่มันมันก็จะรักษายิ่ยากแต่ถ้าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องจะต้องร่าจะร้องรย ขอให้วันยังมีข้าวกินก็พอแล้วเนี่ยก็จะไม่ยากก็สมายประมาณสมัยนั้นอยู่ที่ปฏิบัติคนเดียวนี่ยวันยังใช้เงินแค่ห้าบาทซื้อข้าวก็อยู่ได้ซืข้าวมื้อเดียวข้าวสองจานข้าวจานก๋วยเตี๋ยวจานอะไรอย่างเงี้ยห้าบาทใช่ไหมเนี่ก๋วยเตี๋ยวชานละสองบาทข้าวจานละสามบาทข้าวราดข้าวมันไก่ข้าวอะไรอย่างเงี้ยห้าบาทก็อยู่ได้นย เรื่องเรื่องเอรรถธรรมเนี่ยจะมาตั้งแต่เป็นพราหมณ์ตั้งแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ไปสนใจกับเรื่องอาหารการกินอะไรอะไรก็ได้คือก็เลือกอาหารที่เราชอบบ้างแต่ไม่ชอบัะไม่ต้องโอ้ล้านเชลชนชิมหรือที่ไหนรสเด็ดตรงไหน คนอยากชอบกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่มันง่ายมันสะดวกก็กินไปกินให้มันอิ่มไปทั้นั้นเองเคยเคยเคยอยู่แล้วไปเจอพวกฝรั่งที่เขาเรียกว่าพวกสมมายวะเนี่พวกนี้มันมีเงินแต่มันอยากจะประหยัดอยากจะอยู่อยากจะเที่ยวนานๆเที่ยไม่มันไปซื้อข้าวแกงกินนะเฮ้ยกินข้าวแกงข้างถนนด้วยการละสามบาทสองบาท เราเห็นมันกินได้เมื่อก่อนเรากลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆเรายังคิดว่าเราต้องเข้าไปกินร้านอาหารที่มีติดฟุ้งติดแอร์อะมีคนเสิร์ตเ่ยพอให้มันทำํำนี้เราบอกว่าเราต้องเปลี่ยนทางชีวิตเราเพราะหนึ่งเงินเราก็จะมีน้อยลงไปแล้วแล้วเราก็อยากจะให้เงินนี่มันมันไปไกลๆไปอยู่ได้นานๆเพราะเราไม่อยากจะไม่ต้องไปทํางานไง อยู่เฉยๆมันสบายกว่าก็ประหยัดดีกว่ายอมกินของถูกๆเอาแต่ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างไปให้เจ้านายเขาคอยด่าคอยสั่งเราคอยตื่นแต่เช้าไปทํางานไปเบียบดบนรถไปอะไรได้เงินมาไม่ถีอตังคนะ์ไม่มีความเป็นอิสระเราละความเป็นอิสระในตัวเราเองเรายอมลําบากก็ยอมอดนะแต่เพื่อรักษาความเป็นอิสระของเรา เ, าเราไม่ก็อยากจะรับคําสั่งจากใคร งานเนี่ยยงเฉพาะรับคมสั่งจากคนที่งงกับเรานี่ทำได้แต่เป็นเพราะว่าเขารวยกับเราใช่หท่านอาจารย์แค่ตอนท่านอจารย์เข้าวิบ้าณต่าเป็นใหม่ล้มตารววมทุกทุกนพระไม่ของข้าเราจะเป็นแล้วแต่ท่านจะสะดวกแต่ช่วงนั่นประมาณสักสี่ห้าวันครั้ง ต อ, อตอนเย็ยนตอนเกือพบพบในก่อนจะมืดนี้ท่านจะบอกให้พระรูปหนึ่ง ไ, ไปไปบอกไปบอกพระมาประชุมไม่ได้มีการตีกรองร้องตีตีละทางตีอะไรท่านจะบอกพระที่ดูแลใกล้ที่ปฏิบัติท่านเนี่ยบอกเอา่าไปบอกพระมาประชุมกันแล้วท่านก็นจะไปบอกปากๆมันบอกไปมาเรียบมาพอพอบอกประชุมต้อต้องรีบมาเลยจะทําอะไรยต้องวางไว้หมดเอาพระอัศนะมาเอาประฉายมาหอมจีวารมาแล้วก็มา เขาทมชาช้านี้ท่านนั่งรอเราอยู่นะท่านมานั่งรอเรานะแล้ลวท่านเราเวลาปฏิบัติแล้วเรามีข้อที่อยากจะกล่าวท่านได้ไหมท่านได้ถ้ามีโ อ, อกาสที่ก็ถาำท่านได้แต่อาตมาไม่เคยถามท่านเลยนะอยู่ท่ท่นมาแต่ที่ท่านเทศท่านอะไรนี่มันมันมันมันคดอยู่แล้วสำหรับอาตมาเนี่ยไม่เคยถามปัญหาท่านเลยแต่ครั้งหนึ่ง่อยคุยกับพระเคยถามอะไรอยู่ในเรื่องหนึ่งไม่ทราบ ถ้า อ, อยู่ท่านก็ตอบมาโดยที่ไม่ได้ถามท่าน <c oughs> ไปไปปฏิบัติตอนนั้นท่านให้ช่วยถอนขนตาให้ท่านท่านมีขนตาที่มันชิ่นเข้าไปในตาขนตาธรรมดามันจะออกมาให้งอเนี่ย <c oughs> แต่ของท่านนี่มันจะช <c oughs> ิ่นมันจะโผล่เข้าไปข้างใน <c oughs> แล้วต้องคอยถอนคนหนึ่งก็องคอยส่องไฟคนหนึ่งก็ต้องใช้คีมเล็กๆนีแล้วก็พยายาดึงนึงตาให้หลอกแล้วก็ดึงออกมา เนี่ยต้องนิ่งกันตอนอ้นมาก็ไม่เคยไปทํำเลยตอนหลังหาพระไปทําไม่ได้แล้วก็เลยแบท่านไปทำหน่อยถ้าไม่มีใครทําแล้วก็ไปแต่ถ้าเราถ้ามีใครปฏิบัติกับท่านเราจะไม่ไปไม่ไม่อยากจะไปแย่งกนบใครแล้วก็คอยคอยคุยกับพระที่ท่านช่วยส่งไปถามเรื่องอะไรแล้วอะไรไม่ทราบแล้วทำไม่ได้ แล้วท่านอยู่ๆท่าก็พูดมาเออทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะท่านก็พูดตอบตอบตอบคำถามของเราไปโดยที่เราไม่ได้ไปถามท่านอแต่เรื่องทางทางทางทางด้านปฏิบัตินี้ถ้าจะไม่ต้องถามเพราะท่านละเอียดท่านเล่าทุกอย่างท่านฟังอยู่ท่านฟังเทศก็หลายร้อยครั้งนะก็เข้าใจเข้าใจก็ถ้าพูดก็ประมาณ พูดแบบข้างหน้าก็พูดประมาณสักชั่วโมงลงตีหน้าหนึ่งชั่วโมงแต่แล้วท่านก็นพักฉันน้ำเที้ยวหมาดแต่วทีนี้ก็จะพูดคุยแบบเล่าเรื่องยาสมัยอยู่กับหลวปู่มั่นสมัยอะไรที่ท่านปฏิบัติเองท่านนั่งทั้งคืนไม่ท่านอะไรอย่างนี้ก็จะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะดันกันสองข้าวเทศ่อแต่ละข้างก็ประมาณสักสองชั่วโมง ก็ฟังแล้วก sí being <zes> so, ็ได้กำลังจิตกำลังใจพอกลับไปก็โอทยานหมันเพียมขึ้นเยอะมีกำลังใจนั่งสมาธิได้ได้นานเดินงยกมได้นานมันเป็นเครื่องกระตุ้นเนี่ยเครื่องกระตุ้นให้เราเลื่นความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มึนอนใจการได้อยู่กับครูบาอาจารย์แบบนี้ถือว่าเป็นเป็นโชคเป็นบุญมาก เพราะตอนปกติเราตัวตัวเราเองจะไม่ค่อยมีกําลังที่จะคอยผักตัวเราเท่าไหร่หนึ่งเราก็ไม่มีธรรมะที่จะรอดด้วยท่านมีทั้งลูกรอดแล้วลูกผักอลูกรอดก็ท่านเอาธรรมะอันวิเศษที่ได้จากการปฏิบัติมามาอวดมาโชว์เราเหมือนกับท่านมีแหวนเพชรสวยๆท่าน เ, าเอามาโชว์นี่เห็น ไ, ไหม <c oughs> ถ้าพวกคุณปฏิบัตินี้คุณก็จะได้แหวนอย่างนี้พอเราได้เห็นแหว น, วนวสวยๆก็อยากจะได้ ก็มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัแล้วท่านก็จะบอกวิธีการปฏิบัตินะจะต้องทำอย่างไรจะต้องอดทนขนานดะไหนจะต้องอะไรจะต้องทุ่มเทอะไรมันก็ทําให้เราเราเรามีเขล็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติมีมากดีมากเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะได้ไปอยู่กับท่านก็ไม่ได้คิดว่ามีมีพระมีคุรบาจารย์ที่ที่มีคุณธรงเพราะไม่ไม่เคยได้สัมผัส ตอนนั้นอยู่อยถวภาค ก, การก็ไม่ค่อยได้เจอเห็นแต่พระตามตามบ้านตามเ ường, มืองก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ไมด้มีอะไรวิเศษแต่ก็ตอนนั้นก็อาศัยเราได้เรียนหนัสือได้อ่านหนังสือจากจากหนังสือธรรมะก็รู้สึกว่าพอเพียงรู้สึกในความรู้สึกของตนเองว่าพอพอจะคทำทางไปได้พอจะได้ได้แต่เมื่อได้ไปอยู่กับครูบาอาจารยถึงจะรู้ว่ามันมันต่างกันมากเหมือนเรามีแผนที่แล้วเราต้องเดินทางออกจากป่าคนเดียว กับมีทางคนคนที่ํานาญทางพาเราเดินออก่มันมันมันต่างกันการดูแผนที่ทําไปนี่บางทีมันยังดูผิดดูผิดได้แต่มีคนพานไปนี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเดินตามเขาไปนิดเดียวเขาบอกให้ทําอะไรก็ทํทาตามเขาบอกไม่ต้องเสียเวลาเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันจะมันจะไปไปผิดทุกขั้นระดับเลยขั้นทางก็จะก็ผิดอย่างที่ไม่อกี้เล่าให้ฟังขั้นสีนหนึ่งก็จะผิด มันจะไปยึดไปติดกับเรื่องบางอย่างมันไม่รู้ว่ามันปฏิบัติเพื่ออะไรบางทีมันรักษาศีลก็จะรักษาศีลอย่างเดียวอย่างอื่นมันไม่สนใจแต่ไม่รู้ว่าการรักษาศีลก็เพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นไปสู่สมาธิการปฏิบัติสมาธิก็จะได้ก้าวขึ้นไปสู่ปัญญาการขึ้นสู่ปัญญาก็จะได้เข้าไปสู่การหลุดพ้นมันเป็นขั้นของมันที่ต้องไปแต่พอเราปฏิบัติอยู่ขั้นไหนแล้วเราไม่ใจติดอยู่กับขั้นนั้นก็อยู่ที่ทําบุญทําทานก็จะจะทําบุญทำทานอย่างเดียว นก็ยังไม่อยากจะทำกันใชเือถามปัญหาเรื่องศีลกันกระเพาะเนี่ยยังยังไม่อยากจะรักษาศีนกันเจะได้เดินตามให้หมดจางั้นถ้าเราต้องเลือกระหว่างระหว่างเงินทองกับศีนหรืออะไรก็ตามเอาศีนไว้รักษาศีถ้าเราพอมีพอกินแล้วก็ ถ้าเรารู้ว่าที่นี้ไม่ดีถ้าเราสามารถยกลดกิจาการได้เปลี่ยนอาชีพมาได้ก็ก็ทำไปหาบางที่ที่มันมันไม่มันไม่มไปผิดจริงผิดธรรมจะสบายใจกว่าแล้วจิตก็สงบไงขณะนาี้จิตมันไม่สงบมันกนังวลทุกครั้งเราคิดเรื่องความดีงามมันจะมามาเนเหมือนกัน บ, บน้ํายอกบกเราเสมอพอเรารู้ว่ามันไม่ถูกมันก็ทำให้จิตใจเราไม่สงบ แต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกแนละ้วมันจะไม่มีอะไรมาทำให้เรารู้สึกวุ่นวายใจแล้วเวลาจะทําสมาธิมันก็จะง่ายขึ้นท่านถึงบอกว่าศีลอบรมดีแล้วก็จะมีอ น, นิสงส์มากมีมี ม, ม, มีมีผลมากมีอ น, นิสงส์มากกคือจะสนับสนุนในเรื่องของของการทําสมาธิสมาธิเมื่อได้อบรมมากได้เจริญมากได้อบรมมากแล้วก็จะมีอ น, นิสงส์มากเพราะมันจะสนับสนุนในเรื่องปัญญา ว่าจิตที่สงบแล้วจะเป็นจิตที่มีเหตุมีผลคิดอะไรมันจะเป็นไปตามความเป็นจริงตามเนือ้อผ้ามันจะไม่เป็นไปตามอารมณ์อย่างผู้พิพากษาเนี่ยถ้ามีสมาธิแล้วจะพิะพากษาตรงไปตรงมาได้แต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ยังเลือกพวกอยู่เห็นไหมอย่างคือก็มีที่คนเขาสงสัยกันเนหม็มเพราะพวกนี้ยังไม่มีสมาธิมันไม่มีความสงบใจมันยังถูกอํานาจของความโลภความงำอยู่ ใครให้เงินมากกว่ามันก็เลือกมันก็ตัดสินยอทางนั้นถูกถ้าอย่างนี้มันก็มันก็ยังไม่มีมันยังไม่เป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าเป็นปัญญาแล้วต่อให้ใครถ้าเป็นสมาธิแล้วต่อให้ใครให้เงินมากน้อยเพียงไรก็ไม่ไม่สนใจถ้าอยู่ผิดก็ผิดเพราะว่าคนที่มีสมาธินะั้นมันมีมีความสุขมันมีความอิ่มพอใจ มันมีมันมีสิ่งที่มีคุณค่ากว่าเงินที่เขาจะให้เราพูดง่ายเงินที่เขาให้เรากับสมาธิคือความสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมันเหมือนกับสมาธิของเรานี่เป็นเหมือนกับเพชรอย่างเงี้ยแต่เงินที่เขาให้เรามาเหมือนกับเป็นก้อนอิฐก้อนก้อนทรายเนี่ก็ไม่แคร์ไม่สนใจคุณจะให้มาเท่าไหร่เราก็ไม่สนใจเมื่อเรามีหน้าที่ที่ต้องทําหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องวินิจฉัยไปตามเนี้คตามตามตามตามการพิจารณาปัญญาก็แบบเดียวกัน ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เราจะพิจารณาอะไรบางทีก็ตัดไม่ขาดที่ได้แต่ถ้าเราถ้าเราไม่มีถ้าเรามีความสงบมัมนไม่มีกิเลสมันก็ตัดไปอันไหนเป็นโทษก็เลิกได้เช่นทุรายาวมา เ, าเลิกได้ก่อนที่อาตมาจะนั่งปฏิบัติธรรมก็เคยเดินสุราเคยไปเที่ยวเคยอะไรเหมือนกันแต่พอั่งสมาธิได้ความสงบปั๊บของวันนี้มันหายไปเลยจิตไม่เคยคิดถึงมัน แม้แต่พระที่เคยห้อยขอก็ไม่เคยห้อยเลยหลาะอย่างนั้นมราไม่รู้ห้อยไปทไําไมเพราะพระที่แท้จริงมันอยู่ในตัวเราอะใช่ไหมที่พระุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่าถาด <c oughs> แล้วกปฏิบัติทำไปมันจะได้ของที่มีคุณค่ากับของที่มีที่เรามีอยู่ภายนอกมันจึงทําให้เราสามารถสละได้หมดสละทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด เพราะเราต้องการสิ่งที่มีคุณค่ากว่าเราได้ริมลุดมมนแล้วบางส่วนเราอยากจะได้เพิ่มเรามีความโลภทางธรรมนะแต่เราไม่เรียกว่าเป็นกิเลสเราเรียกว่าเป็นฉันทะความยินดีในธรรมเราอยากจะได้ทํามากที่ยิ่งขึ้นไปเป็นอธิบายแล้วก็จะมุ่งมันไปสู่สู่จุดนั้นนะมันก็พาอาจมาไปถึงอุดรทั้งที่เราก็ไม่เคยวาดแผนว่าชีวิตของเราว่าเราจะเดินไปที่อย่างนั้น แต่เมื่อมันถึงเวลาสิ่งที่เราต้องการมันอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปตรงนั้นเองโดยที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมาก่อนมันก็แกะมันก็เหมือนกับมันแกะทางไปเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ก็ถามเขาว่าจะไปทางไหนต่อตอนก่อนจะบวชก็พยายามศึกษาดู ว, ว่ามีวัดแบบไหนบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็ดีตอนนั้นมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งเขาทำหนังสือแนะนําเกี่ยวกับว่าปฏิบัติทํา เขาไปมาหมดเลยนะวัดที่สําคัญสำคัญในประเทศไทยเน oui. well ี่ยพ่อหลังแต่เป็นคนที่เป็นคนที่ขวนขวายทางด้านความรู้มากเขาไปหมดแล้วเขาไปอยู่วัดนี้เขาว่าอาจารย์สอนแบบไหนอาหารเป็นยังไงมีพระในกี่รูปสอนสอนในลักษณะไหนเขารู้จักวัดที่ปฏิบัติทั้งหมดในเมืองไทยแล้วทำเป็นหนังสือเป็นไกด์หนังสือไกด์ คือเราไปเที่ยวโยโุโรปหรือไปเที่ยวที่ไหนเขาก็มีหนังสือกายให้ไปดูสถานที่ต่างๆใอันนี้เขาก็มีไกายวัดกรรมถานวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เปิดดูเปิดดูแล้วก็รู้ออกแต่ ย, ยังยังยังไม่ได้ไปเพราะตอ น, นั้นยังไม่ได้บวชพอบวชแล้วก็พอดีได้รับคําแนะนําให้ไปบวชที่วัดบวนก็ไปพอไปบวชที่วัดบวนก็ไปเจอพวกพระชาวต่างชาติอยู่กันเขาก็รู้จักวัดต่างๆอันนี้ที่เราเคยอ่านมาแล เราก็รู้ว่าตากังตาก็รู้ว่าเคยอ่านานะแต่ยังไม่เคยตากวถึงหนักเต้วัดวัดถ้ำของเพลงวัดน้องปู่ชาอะไก็มันจะอยู่ในใ น, ในในใกนายม <c oughs> ก็คําทางไปเรื่อยๆไม่ได้ไปไม่ได้ไปถามใครคือความรู้ในเรื่องนี้มันมีอยู่มากพอสมควรถ้าเรารู้จักหามันก็หามันได้อย่างในนี้มีอินเทอร์เน็ตยิยง่ยงรวดเร็วใหญ่อยากจะรู้ที่ไหนตรงไหนเมื่อไหร่ เข้าไปดีได้เลยอย่างเมื่อก่อนมีเด็กที่เข้ามาทําบุญอยู่เป็นประจําเขาได้เข้าไปเรียนเขาเข้าไปเรียนเขาเรียกอะไรเอฟอสใช่ไหมค mm hmm. นแรกเปลี่ยนเขากไปอยู่เมืองเล็กๆอย่เมองไหนโอคลาโฮมาแล้วก็เราก็ถามว่าชื่ออะไรเขาโธรมามาคุยด้วยแม่เขาให้แม่เข้ามาทำบุญประจำํำแม่เขาต่อโทรศัพท์มาแล้วก็โทหาลูกแล้วก็ให้มาคุยกับหลวงพ่อให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถามเขาอยู่เมืองอะไรเขาก็บอกชื่อเมืองแล้วก็ไปเปิด <c oughs> ดูในเน็ตดูแผนที่แผนที่รั่อยู่ตรงไหนอะเ้าไม่รู้หรอกถ้าทํารู้มันมีอยู่แต่เราจะรู้ที่ว่ามันอยู่ที่ไหนหรือเปลนั่นแหต่เราค้นค ว, าควา้าแต่นี้มันสะดวกสบายมากเรื่องการค้นค้ า, าหาข้อมูลต่างๆแม้แต่เพื่อน ทั้งเรียนที่เรียนที่อเมริกาด้วยกันไม่ได้เจอกันสาสิบปีอาจจะมาจำชื่อก็ได้ยังใส่ชื่อเข้าไปหาในเน็ตยังเจอเลย <c oughs> เจอทั้งอ e ีเมลเจอทั้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลย <c oughs> หาไ ด, าได้แต่ตอนนั้นมันมั น, ม, นมันหาไม่ต้องเสียตังค์แต่ตอนหลังี่รู้สึกว่าเขาจะคิดค่าบริการถ้าถ้าจะต้องหาชื่อคนชื่ออะไรชื่อที่อยู่อะไรนะไม่ต้องเสียค่าบริการับต่หลายปีก่อนนั้นไม่ไมต้องเสีย นั้นคนเราถ้ารู้จกักจากหาความรู้แล้วนี่แทบจะไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพากระดิ่ก็ได้ตั้งแต่อาสมาตั้งแต่ไปเรียนก่อนจะไปเรียนเมือง น, นอกนี่ก็ ก, ก็ก็หาความรู้เช่นอยากจะไปเรียนโรงเรียนเข้าไปเปิดไปที่ห้องสมุดห้องสมุดของสถานที่ใอเมริกรันที่ตั้งอยู่ถนนพัดโพงนั่นเองเขาเรียกยูซิสไลด์ก็เข้าไปก็มีหนังือเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นในอเมริกา แล้วก็อยากจะไปรัฐไหนแล้วก็ไปเปิดดูรัฐนั้นแต่จะดูว่าราคาไหนแล้วก็เลือกราคาที่ถูก <Business> ถ้าเรามีทรัพย์แค่นี้มีกําลังแค่นี้แล้วก็เลือกไอ้โรงเรียนที่มันมันคิดระดับนี้แล้วก็เลือกแล้วก็ส่งจดหมายเขียนไปขอ ใ, ใบสมัครเขาก็ส่งมาให้เราแล้วก็ใบสมัครคือส่งกลับไป <Sh 71> ถ้าเราผ่านเกณฑ์เขาก็ส่งใบให้เราไปทําวีซ่าได้ <S <S ไม่ต้องไม่ต้องเห็นตัวเห็นตัวไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องถือทางครแล้วเขาจะ เราก็จะกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ไปทําต้องไปสอบโทงรูปเราก็ไปสมัครสอบพอผ่านทุกอย่างครบเกณฑ์ไปขอทําวีซ่าเขาก็ออกวีซ่าให้เราแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินไปทาเองตลอดเลยกลับมาก็มาค้นคลาทางธรรมะก็ก็ทําเองตลอดครับ เพราะฉะนั้นทุกสิงทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวเราแล้วขอให้เรารู้จักใช้มันแต่เราไม่ค่อชอบพึ่งตัวเราเองกันเราชอบพึ่งคนอื่นมันง่ายมันสะดวก <c oughs> ยิงค่าว่าอยากให้คุณแม่ป้อนให้ <c oughs> แล้วถ้าเกิดแนมะ่คุณแม่ไม่อยู่ทำงานก็อดตายอย่งนี้ <c oughs> ไม่มีคนป้อนให้เราหัดพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองได้แล้วสบายไปอยู่ที่ไหน เราสามารถที่จะดูแาตัวเราเองได้ตลอดคือบางสิ่งบางอย่างถ้าพ um> um ึ่งไม่ได้ก็ต้องอาศัยเช่นธรรมะนี่เราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยหนังสือธรรมะสุดแท้แต่ว่าเราจะมีอะไรใกล้มือเราก็เอาเช่นนั้นก่อนถ้าถ้าอยู่ใกล้มือเรามีธรรมะมีหนังสือมีเทปมีอะไรก็ฟังไปก่อนถ้าไม่สามารถไปวัดไปพบกับครูบาอาจารย์ได้ก็ฟังไปก่อนอ่านไปก่อน และเมื่อเรามีโอกาสไปพบ ก, กับท่านได้โดยตรงแล้วมีโอกาสถามปัญหาที่เราส ง, งสัยก็ถามท่า <c> น <oughs> แต่ปัญหาบางอย่างคนบางคนก็สามารถหาคำตอบตัวข อ, ของตัวเองได้ <c oughs> ถ้าเรารู้จักคิดเป็นบางทีเราไม่ต้องถามคนอื่นมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วคำตอบก็ตามมา มันก็ไม่ทาพูดเรื่องอะไรมันก็ไปเรื่อยเรื่อยถอยของก่อนไหม่ันก็ือนสีดของ่น้ดูเลื่อนตามมันแบตอ้ยงไม่ไม่ไม่ไมดีน้อยรการอ็องเกียวกบจะต้องปมตอนนี้มาอยุดช่วงกลางวันแล้วเย็นๆก็จะเดินลงไปออาเนื้อมาท อ๋ไม่ต้องเดี๋ยวเาเดินลงไปเดี๋ยวจะเดินพมลไปตอนเดินเดินเดี๋ยวจะมีคนมาหาใครจะหยิบก็มาหยิบเอาแล้วกัน อาคิ์หน้าหรือหรืออาคิดถ้ไปเกิดเพื่อนรุ่นพี่อ่าหนังสือแล้วก็อยากมากราบตอนเย็นยาม่ำไม่ต้องการมาถึงไหมอีเมลมาถ้างบ่ายอานี้ใช่ไมจังถ้า่วบ่าจะสะดวกทั้งบ่ายโมงไปแล้วจะมียามีค่ะก็จทำน้ เล่นหนึ่งเล่น2สองท่านเ่นด่าหมดหรือยังะค่านมือเหรอยาก็ปขออยกไดงอยากมาหเล่นอยากเป็นด่านร่ว่าใ้แล้วนักเตะวามัหยุดอะไรนะฮะข้างหน้าได้ไหมค่านปลอดยนิสายแล้วาน็ทรา สสาเยัเนี่ยไม่ใช่บรรูนะไปพาเลยบรรูสองเส้นไม่ไปง right? สอได้นะนั่งกยาวที่สงปกติเอปกติเราประมาณห้าโมงที่หกโมงาไม่่าอันไม่ได้จ้าถอดเสร็จแล้วอยู่ในเว็บนะเข้าไปอ่านได้ อจาจัร น, น์ดึงต่เกียนิดลูกยังติดอีกนิดถ้าเกิดในกรณีที่เขาเไม่ได้ทำเองกรณีที่ก็ไม่ได้ทำเองแต่ว่ามีส่วนได้จากผลประโยชน์ไอนั้นก็ต้องรับเหมือนกันือไปดีแฟนทูกสาวทำร้รนอาหารไมสบายใจ ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราอย่าไปกังวลมากก็พยายามแนะนำแต่ว่าแนะนำเขาไป้ากเขานี่บางทีคนเรามันมีบุญมีกรรมมาไม่เหมือนกันแต่ต้องใช้กรรมเก่ามาแล้วจากเขาแต่ลูกก็ไม่ได้ถามว่าก็คือคืออะไรชาติถงใจตลาดจะไม่ทราบแตือของสดหรืไม่สดไม่ทราบผิดศัลธรรมเลก็ไม่ใช่ใครเป็นปัญหาที่จะขวางกันมัดผลกัน ถ้าเขาเกินใจก็สามารถปฏิบัติก็เปิดภาวนาแล้วมนจะติดพอภาวนาได้แล้วต่อไปเขาก็จะเลิกเองะนั่นแค่เตือนนะขอให้เขาได้ทาบุญได้ภาวนาแล้วต่อไปเรื่องกินต่างๆที่มันไม่ดีเขาก็จะเลิกไมได้ การนี้ตื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 S <S เรารู้ทีหลังว่า น, นไม่ใช่ขอท า, านจริงๆว<ร>่าจะได้บุญไหมแล้วก็ได้บุญแต่ในขณะเดียวกันแล้วก็สนับสนุนให้คนทํพารําสิ่งที่ไม่ดีหู้อ่ถ้าถ้ า, าหลอกลวงก็ไม่ควรที่จะสนับสนุนไม่รู้เขาเป็นตัวอะไรเคารู้รู้ให้ก็ยังได้บุญอยู่ในการเดียร์แต่ว่าเราไป็นคนทคนไม่ดีถ้าบวชทาบุญกับพระสงี่ เขาจะมีะไม่เดือดร้อนนะคะกับทำบุญกับคนที่เดือดร้อนอะไรจะได้ได้บุญมากก็ได้เท่ากันส่วนที่ก่อนนั้นอยู่ที่คนที่เขารับไปว่าเขาจะไปทําอะไรต่อไปสําหรับส่วนของเรานี่เราเสือขระเราได้เท่ากันเราเราตัดความความทึดติดเงินก้อนนั้นไปทําให้ใจเรามีความ เราก็ได้เท so ่ากันจะทำกับใครก็ได้เท่ากันในแต่ส่วนนั้นแต่ส่วนที่เข้าไปทํานั้นก็จะไปทําอะไรนั่อีกเรื่องแล้คนที่เราไปทำเพื่อนั้นเข้าเป็นคนดีแก็ไม่ดีก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นคนดีก็เราได้ส่งเสริมให้คนได้ทําทําดีต่อไปถ้าเป็นคนไม่ดีก็เราก็ไปส่งเสริมให้เขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อไปแต่บุญที่เงินที่เราให้ไปที่เกิดจากพันเราได้ความสุขจากคือเสียสละนี้ก็ได้เท่ากัน ไม่ว่าจะใครใหไปหรือแม้เงินที่เราถูกขโมยไปแล้วเราจัดใจได้ว่าเป็นเงินทําำดูเราก็มีความสุขเหมือนกันถ้าเห็นรูปแบบถ้าสมมติเองทำถ้าทำกับหลวงตาตาก็มีเยอะแล้วแต่ตาเอาไปบริจาร้างโรงพยาบาลเราสงสารไม่ท่านทํากามดีต่อนะแต่เราเราเราให้เสียภาษีให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็มีเงินเยอะแล้วแต่รัฐบาลเขามีภาระมากเขาก็ต้องเขาก็ต้องเอาเงินนี้ไปไปทําประโยชน์ ถึตาถึงไม้ท่านจะมีมากท่านก็มีภาระมากท่กานกขยับกันนี่เขาอยู่ไม่ได้วันท่านไม่ได้อยู่ที่ถ้าคนที่รับมีมากมีน้อยู่ที่ว่าเขาจะเอาไปทไําอะไรมากกวถ้าก็เอาไปทําประโยชน์ก็ยินดีนะแต่ถ้าก็เอาไปกินเอลเมายาไปไปทําสิ่งที่ก็ไม่ไม่ดีอยนะ มาไล่ขนแล้วใช่ห่มาไนไมนเเข้าใจขึ้นดีขึ้นนะนี่เพิ่งมาคั้งแรอ่านได้ What are you do i n g here in Thailand? Hi. what y o u d o i n g here i n t h a i l a n d um i'm w o r k i n g h e r e now a t the trainer. <laughs> Australia. But um, just I'm employed locally, not in no, Thailand, because. I want to stay. Here okay. Okay. So yeah. if I work on yeah. that Australian side, yeah. then they just send you h e too. a But you can stay here as long as you like. As long as they employ me. Okay. <laughs> <laughs> yeah. Or you can always find a job. o h a y 在那个，嗯。 กุญความหายครับได้หยิเพิ่มครับไม่รู้ได้กันรได้ของเีเา้ ทำงานฟาไปด้วยนะอะไรก็ไดครับเวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันเกิดด้วยนะแล้วก็เชิญติดตุลาได้วก็ทำได้ไหครับเป็นเป็นเงินี่เป็นเช็คอันนี้เป็นงานครับัื้อแวท่านบไที่อยกรนญาติโยมที่จานานี้ก็เอาไปมาเชิญดีน้ากับ เถ้าไม่ดเดี๋ยวทนีเเดี๋ยวไปทแต่ะที่กิก็ได้นะก็ได้ก็ขอกลังใจแล้วหน้าสอยู่ข้างาไม่ได้ไม่ได้เกไป้อาชอบมากเพื่อนๆทเยอะไมคก็มีอยู่บ้างเพราะว่าคนก็อยากได้รอก้กิมเ่อนออเดี๋ยวจะให้เบอร์ของคุณที่เขาเก็บนักเกพวกนี้ไว้ดีเพื่แค่ แล้วสามารถที่จะขอเขาได้คนที่แปลนสูอไม่ชื่อชื่อคนเขาชื่อแอดเขาเป็นคนช่วยจัดทิมหังสือให้เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์เกาเขาเป็นคนเก็บหนังสือทุกเรื่องไมแต่ยังมีบางบางเร่องอยู่แล้วเราวราโทรไปติดต่อเขาทันทีเดี๋ยวเขาไจะมา เดี๋ยวไปเอาเขาแเล่นหนึ่งเล่นสยังมีอะไอยู่ไม่ตรงจิงเลยเล่จะมีบางบางเล่นอาจจะหมดบางเล่หมดเล่นจะหมดเล่นสองแต่แต่เล่นหนึ่งเล่นอื่นๆเนี่ยพร้อมมีอยู่บ้าเล่นเล่นใหม่อะไรอยบางคนบางคนได้เล่นสามนะฮะก็าอ่านเล่มสามแล้วก็อยากงบมอถหาหาเล่นสองเล่นหนึ่งอเนยเขาหาเล่นสี่ก็อยากหา อันนี้หมายถึงเลื่องไ่ไม่เรื่องกำลังใจเรื่องสีไม่เมื่อกี้พี่พูดถึงก็กลังใจเรืนเสาลังใจเมื่กี้ลังใจกำลังใจเื่อที่ปุกขอจุลธรรมหือขอจุลธรรทําก็กลังใจด้วยอยู่ที่กุฏินี่พอยมีหรือว่าแต่แต่ถ้ากำลังใจต้องติดต่อที่อื่นเลยนะแยกกันเดี๋ยงเดี๋ยวจะจุลทรมต้องการจะไหลบอกคุณแดงว่าเดี๋ยวจะหิบมาให้ ยังยังาเืองน่หนึ่งสองสามยงมสิเือเลสาตรงนี้มีเเล่นสแล้วกก็แบ่งไว้ก่อนยเล่สเอาาเล่นมอ้เล่นายงมาให้ไม่ใช่ได้เล่นสี่ให้แล้วหรอไม่ใช่สไม่ให้หให้เรนเ่งเอาหนึ่งก็สอยังสิ้นเรื่องอ ถ่ายแล้วถ่ด hmm. ่อนี่เอาไไว้ติดกุญแจเราไปติดกุญแจนึ่งยคุณถาล้วถายไม่เย่จะมีกจิไม่เป็นไละเดี๋ยวเราข้อยเราคนมากท่าที่ถ่า้อง่สองหลังมากกว่าที่ยหลั่อนเลยให้พรก่อนนะให้พร ยะถาวะริวะปุราภิกุเรนติสาคขังเอวานิวะอิทนางเตตานัง e อุปการปฏิเจชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฌตุสัพเพปุเรนตุจังกะปาจันโทปนะระสุยะถานานิโชติระสุยะถาสัพพิโยวิวั h จันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตพวะทวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะอาภิวะทนศีฤิษะมิจางุธาปจายโนจตารโธมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอ่ะเดียวแจกน้ำนะอ่ะเดียวแจกนะ เราไปาน้ำแจแจกแจกแจกไปแจกกไป้ลังก่อนไม่รู้ยางเ่าังหัวเาไมบาแลับ้ะครับช เ อ, เ, อเอาอันนี้ได้เอาปได้เอได้มเส้นประหารคนไถง้าถ้าจะเอาไปไว้ให้วศาลา้าไปไม่ถ้าญาติโยมเป็นฐนก็อไว้ให้ให้ให้ที่ทีนที่ตัวกลุ่ี่ไ่เอาไว้เปนให้ท้าทำไว่ารวคระเลย เสียอร่อยิก๊าัเมาติดต่อแล้วแต่ไม่ทราบวันวัดน้ยกัปริก็จะประมาสักสองอาทิตย์หลังจากออกวัั้ิทิ่มากเลยกระเถิจะไม่สะดวกผมจะมาที่ยี่สิบเก้าแล้วจะจำแไกหลอกแล้วกัน เราจะถามโดยคือเรามาที่ก้าวางเนี่ยอนเดือนหน้าไม่มาเดกันยาไม่มาที่ที่สี่ไม่มาที่มีคนบอกว่าไม่ให้มากับเพราะว่าเขาไม่อยู่มีคนหนีไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะส่วนใหญ่จะถ้าไม่้องกับวันเสาร์กวันอาทิตย์ครับ องเราก้วใพอวันวันแรกกระถินมันมันต้องต้องมีพิธีกทํทำตอนข้าวเราตตอนกลายกระถิ่นกลางกระถิ่นยังไม่รู้วันนึงวันถึงถ้าถึงวันนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าก็ช่วงบ่ายก็ยังพอจะว่างแต่ถ้า ให้ดูที่ดีกว่าถ้าถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนคว่าถ้ามันตรงกันถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณชายปิดตาโรงยบาลวยวันฉิดสีค่ะคุณช้ไม่เล่สบายลุกไปแล้วก็เปิดเข้าไม่เปที่เดียเว้ยวันนี้วันหอฉิตสี้วคงจะต้องทาแต่นี่ก็เอื่อนรวดที่จะใช้หาทางวันนี้ทางขนัดนั้นไม่ได้ก็เลยเราสองที่จะ พอถาสางก็เป็นบอลูนครับไม่ใช่ลายผ้าสองเส้นค่ะถ้าลายผ้านี้ต้องเผาขึ้นมาแล้วเอาเส้นเลือนใหม่มาแทนเป็นใครทีไม่หยุดขับรถไปไม่เันนี้เลยถ้ายังทำบอลูได้ก็แสดงว่ายังไม่ไม่ไม่มากไม่เลยผมก็ทำมาลวเส้นคุณแ่ใจคุณแก่ใจทำมาละสองเส้น เวลาทำนี่ถ้าต้องทำทีสามเส้นพร้อมกันได้หรือถ้ไม่ได้เนทคโนโลยีสมัยนี้ทำได้ครับแต่เพราะว่าสมัยตอนที่ผมทํานี่ก็ทําที่โคนขาปจิบันิที่ทําที่ข้อมืออะก็เจาะที่ข้อมือแล้วสอดลงไปคือสมว่าจะต้องทำสามเส้นที่ทําพร้อมกันเลยได้ไม่ต้องรอทำทีละเส้นอย่างนี้รับผมว่าน่าจะผมต้องดูเป็นเคส by เคสนะครับได้ครับ ได้ค mm ่ะเขาอทำนงนรถ้าอยากไหมอค่ะหรือดว่าหนอเนี่ยต้องมีค่าตรวจค่าทำเีการเปิดคนไข้ค่ะซึ่งคนไข้กรณีนี้เขาก็มีความรู้การรู้ใจม่สาการณ์ท UM no ี่งอแล้วค่ะจะให้เิดแค่ทํานการส่เขาเนี่ยถูกหือาก็เราไม่ได้ลังคัดขอให้ไปไปรักษากันเราเขาไปเอง แต่สมมติว่าถ้าเราอยากจะทําบุญเราก็อย่าไปคิดก็ได้เราเรเร า, เรายกเลิกได้อย่างอัตมาบางทีไปรักษากับหมอเขาก็ไม่คิดค่ารักษาเขาคิดแต่ค่ายาเคยไปทําฟันที่โรงพยาบาลกรุงเทเพก็ที่นี่เขาทําไม่ได้เป็นเป็นรากฟัน น, นักเสบก็ทางนี้เขาก็เลยแนะนําให้แต่พาไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพ พอเห็นเป็นพระพอดีหมอที่เขารักษาเขาบอกว่าเขาเขาไม่เก็บเขาไม่เก็บค่ารักษาแต่เรื่องยาเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลเขาก็ต้องให้โรงพยาบาลเขาเขาเขาเก็บไปโรงพยาบาลเขาก็ดูว่ายาตัวไหนที่ซื้อได้ที่วัดยาหาได้ที่วัดยาเขาก็บอกให้มาที่วัดยายาตัวไหนที่ไม่มีเร่องที่ต้องออกจากเขาเขาก็เขาก็ก็เก็บตามก็อยู่ที่เราอยู่ที่เรา ถึงว่าถ้าเราเปิดกินเด็กมีหมอบางคนเปิดกินเด็กเขาเรียกราคาินิด็กห้า <c oughs> บาทเนี่ยคนไข้มากี่คนก็เก็บค่ห้าบาทเทน้นนี่ค <c oughs> เป็นการเ้็งการให้ทาน <c oughs> เป็นการช่ว <c oughs> เวลาเราเห็นเขาเปนคนยากจนเราก็บอกว่าบอกทางโรงพยาบาลว่าไม่ต้องไม่ต้องเก็บค่าค่าค่ารักษาเขาก็ได้สักชวนของเราอ่ะส่วนที่เรารายได้ของเราเร า, เราขอขอเบอิจายให้กับเขาไปอย่างนี้เราก็จะได้บินไม่ต้องมาเสียเวลามาทําุญหนึ่งที่นี่ นีบุญเลยฮะเราถึงถึงที่ที่ทำงานไม่หรอกไม่บาปหรอกไม่บาปอะไรนั่นคือกาใช่มันเป็นอาชีพแบบทีนี่มันก็ขึ้นอยู่มันก็เหมือนกับการซื้อขายของไงเราไม่ที่แปลงสินเนี่ยที่เนี่ยเราจะขายร้านหนึ่งก็ได้ขายสิบร้านก็ได้อยู่ที่เราเราจะตั้งนี้อยู่ที่คนซื้อเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อ ท่าก็คิดว่าสิบล้านแพงไปเขาไม่ซื้อก็ไม่เด็ดร้อยอะไรแต่ถ้าก็คิดว่าสิบล้านมไม่แพงก็ซื้อทั้งๆ ท, ท, ที่เราคิดว่าโมันแพงเกินแต่เขายังซื้อก็แสดงว่าเขาจะต้องได้รับประโยชน์มากกว่าที่เขาคงเสียไปเห็นไหมงัม้นงั้นคนไข้เนี่ยก็อยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ก, ก็ได้ถ้าค่ารักษาก็ถูกหน่อยแล้วจะไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนค่ารักษ า, าก็แพงหน่อยก็อยู่ที่เขา่เขาเป็นคนเลือกเองเขาเป็นคนเลือกที่จะไปเอง แล้วเราก็ไม่ได้ดึงกฎกำหบดกฎเกณฑ์ราคาต่างๆอันนี้มันก็เป็นไปตามตามที่เขาต้องมีไว้แล้วก็มีรายจ่ายมียอะไรต่างๆแต่สมมุติว่าถ้าเราเนื้ออยากจะทำบุญขึ้นมาวันนั้นเราถงสารเขาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าสําหรับคนไข้คนนี้จะไม่ไม่ไม่ไมรับอ่าเราก็ทําได้อย่ที่เราหรือว่าถ้ามันทําไม่สะดวกเราก็เก็บเงินนั้นมาแล้วแล้วก็เอาไปเอาไปทําบุญที่อื่นต่อเลือด นั่นเลือกเกษตแต่แต่คนที่คนที่เข้าไปรักษาเขาก็จะต้องมีมีมีความสามารถที่จะจ่ายได้ก็ถึงไปนะมันเป็นเรื่องของของความความยินยอมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้เป็นการบังคับกันอย่างเมื่อก่อนนี้อาตมาก็เป็นเออเป็นงูสวัสดมีขึ้อนอยู่ที่นี่นหลายปีมาแล้วแล้วก็ แล้วก็ไปแค่โรงพยาบาลพัทยาเนี่ยที่หมอก็าเพิ่งจบมาได้ปีสองปีเขาก็ต้องเปิดตาราดูว่าจะเอาขุดขุดเนื้อไปไปทำยงไงทีทารรงญาติโยมเขาก็เป็นห่วงเขาบอก ว, ว่าโอ้ยไม่ได้หรอกต้องไปโรงพยาบาลดีที่พัทยาก็จะส่งไปจุลานู่นเนี่ยที่เราอโอกวโลกแค่นี้ต้องนั่งรถไปเราไม่เอาหรอกมันไม่มันไม่คุ้มค่าเลยเราไปที่พัทยาก็เลยโรงพยาบาลเอกชนๆๆที่มี ตอนนั้นเรา้สึกจะเป็นต้อโลเนาะก็ไปหาหมอที่นั่นหมอเขาเดูเสร็จเ้าก็บอกว่ามันก็รักษาอะไรไม่ได้นะแต่ให้ยารักษาดูอาการพอที่วัดยานก็รักษาเหมือนกันรักษาแรกเหมือนกันเขาบอกหลวงพ่ออย่ามาที่นี่นเลยเสียเงินไปเปล่าเปล่าเขาก็แนะนํางันแต่เราก็บอกไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ของเราคือเพ้่ความสบายใจของคนอื่นเขาอ่ะกอยากจะให้ไปก็ไป เ, เราไม่ไปก็หาว่าเราดื้อ <laughs> นั่นเหมืนกับเราขายของเราอยากจะขายของชิ้นหนึ่งราคาเราตั้งราคาแค่เนี้ยถ้าเขามีความพอใจจะซื้อก็ซื้อไปเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ใจบุญนรไม่โลภมากแล้วก็อาจจะตั้งราคาต่ําหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าเรายังอยากได้เงินอยู่อยากอะไรอยู่แล้วก็อาจจะตั้งสูงหน่อยก็ประมาณนี้นแต่ก็วันนี้เทศได้ฟังแล้วเนี่าความสุขม น, นไม่ได้อยู่ที่เงิน เขาจะอยู่คือการให้เงินผู้อื่นมากกว่านะท่านหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ในที่สุดก็ต้องให้คนอื่นเข้าไปเหนี่ยวอยู่เรื่ยงนะั้นเอาถ้าเราเลือกได้ก็เลือกความสุขทา ง, ทางด้า น, นจิตใจเคือถ้าเรามีความพอเพียงกันอยู่กับเรื่องหอวใจสี่แล้วแต่อย่าไปคล้ขวายกับเรื่องเงินทองนะจะดีกว่ะเพราะมันไม่ใช่ติดขับต่อผมมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง แต่ก็ยังมีการจำเป็นต้องมีรายได้อยู่แลต้องทำตาต้องหาต่า <c> เ <oughs> <c oughs> อาล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรศัพท์ของคุณคุณแอร์ไปดูนะนะแบบเดีรวกถ้าต้องการต้องการต้องการกำลังใจหรือหรือดีทีดีที่มีอยู่ก็ติดต่อได้เล่นเรือสองอย่างก็ติดเล่นกันได้ตรวจตาน้างด้วยตาตรวจ อมันต้องสือต้องสใส่ตัวยาใส่ตัวยาต่ไม่มีปัญหาเน้มันต้องเป็นไฟไม่บธรรมดใส่เร่ัวยาต้องมีบัน พอทีด so, ูปัญหาลูกตาที่ลอกตาคอนที่เข้ามาเก็บตาใช่ไหมลูกตาที่เก่าแนแต่ที่าิกอ่าก็เป็นางติดกว่าก็เป็นจเป็นฉาะกรีที่ันไป แต่ท่ามีแต่ว่าอ่านหนังสือต้องใส่แว่นแค่นั้น<ค><ณ>ชั้นเชื่อสังเกตว่าท่าตามนสั้นเรียกมองไกลไม่ค่อยเห็นนี่แปลว่าอาจจะเริม<ค><ณ>่มมีางยา<ค><ณ>ลูกไว<ค><ณ><ค><ณ>